อาจารย์ผมพิไลเชิญเป็ดดีเปไลกันเชิญเป็นไล ก, กันโอเคค่ะเป็นยังไงสบายดีสบายดีค่ะกับอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยากจะ<น>ถามเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายเพราะในปัจจุบันนี้มี มีคนเยอะนะในอายุเยอะๆและอายุน้อยที่เขาวางแผนแล้วก็เตรียมตัวก่อนตายทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติธรรมกันนะคะใ น, ในระยะหนึ่งทีนี้นะโมเมนต์ในเวลาช่วงเวลาที่เราจะละจิตออกไปจากล่า ง, งสมมติเรายังรู้ตัวเนี่ยนะคะเราควรจะทำอะไรทำสมาธิไปนี่มให้ฝึกสมาธิเพื่อเวลาตายจะได้ตายสบายค่ะ ก็คือถ้ายังรู้สึกตัวก็ให้ทําสมาธิเอดูลมหรือพุทโธไปค่ะแล้วก็คิดก็คิดว่าร่างกายไม่ด่ของเราถึงเวลาที่จะต้องคืนคืนสู่สภาพเดิมเพราแล้วคือดินน้ําวลไฟค่ะทั้นนีไม่ต้องมีคิดเลเราทำสมาธิค่ะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงทุกสิ่งทุกอย่างคนที่อยู่ก็เป็นดินน้ําลลไฟทั้งหมดเดี๋ยวเขาก็ต้องทิ้งร่างกายของเขาค่ะ ก็คือทําสมาธิจิตสงบอที่เรามาปฏิบัติกันนี้ครับเพื่อใช้เวลาตายได้อย่างดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณอุกานุคูณสบายดีนะสบายดีครับเพื่อจากครับได้ตารางเทศเทศนาอย่างที่ได้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้เรียบร้อยส่งต่อแล้วค่ะโอเคได้อคุณค่ะแล้วก็เชิญรับฟังไปเรื่อยๆนะค่ะคุณค่ะ ได้ไปที่ท่านต่อไปคุณรัตนาพรเชิญสวัสดีค่ะะอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่คูเวตค่ะคูเวตวันนี้มาไกลนะเพราะเอินว่าพกักกลางวันได้มีโอกาสมาลองใช้โปรแกรมซูมดูค่ะตอนนี้กี่โมงมาที่คูเวตตอนนี้ที่นี่สี่มงเย็นค่ะอะค่ะเป็นยังไงบ้างเออ เคยติดตามคุณมากเลยใช่ค่ะติดตามพระอาจารย์มาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเออหนูมีอะไรอยากจะถามในวันนี้ค่ะก็หนูว่าถามพระอาจารย์บ่อยค่ะเวลาพระอาจารย์ไลฟ์ที่เมืองไทยอ่ะค่ะที่นาบุกิแน่นอนทอนสามโมงใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากจะถามพระอาจารย์เรื่องถือสิงแปดค่ะเพอร์เอิญว่าเพอร์เอิญว่า หนูมีอาชีพเป็นนักดนตรีบําบัดอะคะ่ะอืก็คือจะถือสินแปดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ถือวันวันที่เราไม่ได้ทํางานกน็วันที่ทํางานก็ยังไม่ต้องถือแค่ถือสินห้าไปก็พอค่ะเจ้าคะ่ะสินแปนี่ไว้สําหรับวันที่เราว่างจากการงานเพื่อเราจะได้ใช้เวลานั้นมาปฏิบัติธรรมแทน ท, ที่จะทํางานแล้วก็มาทํางานสมาธิแทนก็ต้องถือสิน <8 S 2> แปดเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราทํางานก็ถึงสินท่าไปค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าสี่ท่ามันมันมันจะไม่ไม่ไม่สะดวกสําหรับคนที่ทํางานใช่แล้วค่ะเพราะว่าหนูต้องเล่นดนตรีตลอดเลยค่ะทั้งวันเลยอเล่นดนตรีในวงในวงหรือว่าเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวที่ล็อบบี้โรงพยาบาลเจ้าค่ะอ่อเปียโนเหรืออเล่นขิมเจ้าค่ะอ่อขิม ค่ะก็ก็เล่นไปก็มีสติไปไม่เป็นไรนะเราอย่าไปชอบมันก็แล้วกันถือว่าเป็นเป็นงานของเราเราเล่นเ่อเพื่อให้เป็นเหมือนเป็นยารักษาโรคประสาทของคนอื่นให้ประสาทใจก็เย็นลงใช่ค่ะหนูหนูก็เตรียมลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วค่ะปีหน้าถ้าพอกินนะเนี่ยเมีมีกิน ก็พอมีเงินเก็บนิดหน่อยคะ่ะแต่ที่นี่ออไม่มีวัดก็เลยกลับไปไทยดีกว่าเออไปไปที่นเพื่อไปทํางานนี่เหรอใช่เจ้าค่ะอืมในโรงแรมในโรงพยาบาลนะเจ้าค่ะอืมของคนไทยนะโรงพยาบาลนี่ว่าของต่างชาติไม่ค่ะของของต่างชาติคะ่ะของอของคนคูเกัเนี่แหละเจ้าค่ะเออก็ดีถ้า จะได้มาทิ้งสิท์แปดได้อย่างเต็มรูปแบบเจ้าค่ะดีใจมากเลยตอนแรกก็ลังเลมากว่าจะลาออกหรือจะไม่ลาออกดีแม่ก็กลัวว่าจะไม่มีเงินแต่ก็คิดไปคิดมาก็ลาออกดีกว่าถ้าปฏิบัติทำไปมันก้าวหน้ามันไม่ต้องใช้เงินหรอกกลายเป็นแม่ชีเป็นเจ้าสํานักเป็นอาจารย์ไปก็ได้ต่อไปมีทุกสี่สิทธิ์่ายเยอะแยะใช่ ทุกคนก็ต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ด้วยกันทัน้งนั้นคุณบาอาจารย์เจ้าสำนักทั้งหลายเขาก็ต้องเป็นคารวะมา ก, ก่อนแล้วเมื่อเขาตัดสินใจออกบวดเขาก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติไปมีมีคุณธรรมคนก็เคารพนับถือศรัทธาเขาก็สนับสนุนเองไม่ต้องไปขอเขาเราค่ะะยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายามาทธาิธรรมนี่ไม่อดตายเราค่ะ กลวจะกลัจะอ้วนมากกว่าถ้าไม่ระวังแต่แต่ก็บอกแม่ไว้แล้วบอกว่าถ้าแม่กลัวไม่มีเงินเดี๋ยวก็ยกเงินให้ไปหมดเลยอ่ก็เลี้ยงดูแม่ได้เ้วก็ปฏิบัติทําไปแล้วเลี้ยงดูแม่ได้ใช่เจ้าค่ะแต่หนูก็บอกแม่บอกว่าเป็นแม่ชี้ก็ดูแลแม่ได้เหมือนกันได้แต่ดีไม่ดีแม่ก็จะมาบวชกับเราด้วยก็ได สาธุค่ะอยากให้แม่มาบวชเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็เห็นดีเขาก็อยากตามมาเองแม่พระพุทธเจ้าก็ตามพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามีความสุขก็อยากจะมีความสุขเหมือนพระพุทธเจ้าก็มาขอบวชเนี่พิสูจนี้คนแรกของพุทธศาสนาก็แม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราค่ะเห็นบวชป็เถอดไม่กลัวหรอกค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเอพระอาจารย์คือ เวลาหนนั่งสมาธิอะค่ะแรกๆมันก็นั่งไม่ได้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะก็นั่งได้ห้านาทีสิบนาทีบ้างแล้วพักหลังๆก็นั่งได้เป็นชั่วโมงอะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เรารู้สึกแบบนี้เป็นเป็นทางที่ถูกต้องหรื อ, อยังก็คือบางทีรู้สึกว่าเรานั่งแค่แป๊บเดียวแต่พอมาดูเวลาเนี่ย น, นั่งไปครึ่งชั่วโมงนั่งไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะแต่ก็ท่องพุทโธตลอดเลยเจ้าค่ะไม่เผลอไม่หลับนะ รู้สึกเจ้าเปล่าๆค่ะโเคเจ้าค่ะรู้สึกตัวตลอดมันเพลิน<ๆ>ไงมันไม่มันลืมเวลาเวลาเราภาวนาดูลมหรือพุโทโธมันจะลืมเวลาพอมาดูเวลาทีโอ้ยมันผ่านไปเร็วผ่านไปนานไม <c oughs> ่เวลาค่ะ <c oughs> ขอให้เรานั่งได้ขอให้เรามีสตอิอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปก่อนถ้ายัางไม่สงบก็ไม่เป็นไรไให้วค่ะ <c oughs> แต่ต่อไปมันควรจะสงบนิ่งเลยหยุดพุดโทโธได้หยุดดูลมได้ เหนือแต่ค่ะความสงบเนือจากความสุขแล้วค่ะพยายามทำไปทำไปเรื่อยๆทาให้มากขึ้นมากขึ้นจ้าค่ะตอนเลิกงานามีเวลาไปทําเวลาเลิกงานแล้วมีเวลาทําำไหยมีค่ะก็ทุกคืนก่อนนอนจะนั่งประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะออแล้วตอนเช้าตื่ขึ้นมาตอนเช้าก็ บางวันก็ได้ทําบางวันก็ไม่ได้ทําค่ะบางวันก็ต้องออกกําลังกายก็เลยไม่ได้ทำํำเวลาออกกําลังกายก็ให้มีสติอยู่กับการออกกําลังกายเลนะเจ้าค่ะอเย่าไปคิดเรื่องแต่หนู<ม>ก็ฟังพระอาจารย์ตลอดนะคะอเตอนนั่งทํางานใส่หูฟังไปด้วยใส่หูฟังไปแล้วเล่นได้ลเล่นเกมได้เล่นได้ค่ะเล่นรู้เรื่องก็ไปรู้เหมือนกันเล่นรู้เรื่องได้ไง <laughs> ก็ดีก็ดีคนใ้ก้าวเสียงขิมเป็นเป็นแบ็กกราว์เราเสียงธรรมะเป็นแบ็กกราวน์แทนนะใช่ค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหูด้วยค่ะก็เพเอินว่าบางบางโทนเสียงเนี่ยจะไม่จะไม่ไม่ดีกับหูค่ะแต่พเอินว่าเสียงพระอาจารย์เนี่ยดีกับหูก็เลยฟังได้แบบผ่อนคลายอะค่ะอ๋อดีใช่ใช้ป็ญญาได้ สึค่ะสาธุค่ะอมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาครั้งแรกเหรอค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะโอเคนะตั้งใจปฏิบัตินะมาถูกทางแล้วค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุอ่าหมอภาสนาเชิญจ้าค่ะกับมัสการพระอาจารย์นะคะสวัสดีคุณบอยคุณหลาค่ะ ก็ก็เขาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องที่ที่ไปที่วัดก่อนนะค่านพระอาจารย์ก็คือว่าพอตอนที่เราไปที่ไปถึงนั่นตั้งแต่หกโมงครึ่งเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปเจอพระอาจารย์ตันก็ท่านก็สัมภาษณ์แหละพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกก็ต้องขอขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากมเลยเพราะว่าตอนที่ตัวเองปฏิบัติตามที่พระอาจารย์เอสั่งสอนมาเนี่ยก็แค่ทําตามที่พระอาจารย์บอกคือไม่ได้คิดอะไรมากก็ทําตามที่บอกแต่พอเราเล่าให้พระอาจารย์ตันฟังอ่ะคือความรู้สึกว่าท่าน ตอนแรก็ท่านก็ถามเลยว่าเป็นมาจางตรงไหนมาจากตรงไหนเขาตอนแรกก็กะว่าจะไม่บอกว่าเป็นพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์สั่งเอาไว้ว่าอย่าไปอย่าอย่าไปบอกว่าเป็นพระอาจารย์ส่งมาก็คือแล้วเขท่านถามว่านั่งสมาธิหรือเปล่าเราลั่งยังไงก็บอกว่าตื่นตั้งแต่ตรีสารแล้วก็นั่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าโอ้โหแบบคือคือรู้สึกว่าตื่นตรีสารไม่ธรรมดาเราเคือสงสัยเนี่ยเพราะว่าปกติละแล้วก็ท่านตอนที่พระอาจารย์บอกท่านก็สัมภาษณ์ไปบอกวิธีพอบอกการทํางานไปปุ๊บเนี่ยท่านก็ ท่านก็คือบอกว่าจริงๆมันก็ทําไปทําอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆ ท, ที่บ้านก็ได้ท่านบอกอย่างนี้นะพระอาจารย์แต่ตัวเองก็บอกว่าจริงๆแล้วอยากมาทําที่วัดเพราะว่าคือถ้ากับที่วัดปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทําสติสีนสมาธิอะไรเนี่ยปัญญาเนี่ยไ ด, ได้ได้ทั้งวันเพราะอยู่ที่บ้านบางทีมันทํางานท่านท่านจะเยอะเนี่ยคะ่ะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเนี่ยมันก็เหมาะถ้าจะมาอยู่ที่วัดแต่ว่าท่านน่ะยอมรับที่จะให้ไปได้พระอาจารย์ก็ดีใจมากๆแล้วก็ท่านท่านก็ชมเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ รู้สึกว่ารู้สึกว่าที่ทําตามที่พระอาจารย์บอกอะแล้วเราไห้ท่านฟังอะท่านก็บอกว่าจริงๆคือตัวเองบอกว่าเจริญบรรยายนุสติด้วยเนี่ยก็คือทําตามเจอพระจเจอพระอาจารย์สามสี่เดือนเนี่ยก็ได้ก็ทําได้คือประมาณเนี้ยท่านบอกว่าจริงๆก็คือไม่ได้ประมาทแล้วนะเพราะว่าเราตั้งใจในการทําแล้วตัว เ, เองก็เลยบอกว่าเนี่ยคืออยากขอมาอยู่ด้วยอยากให้ท่านเมตตาช่วยามาอยู่แล้วก็จะได้ช่วยสอนด้วยแล้วก็แฟนไปด้วยก็ผ่านทั้งคู่เหรอคะอาจารย์ แต่ว่าท่านบอกว่าเข้าวัดเดือนละกี่ครั้งก็เราก็สมไปก่อนเข้าทุกอาทิตย์ก็คือไปทําบุญแถวแถวบ้านแต่พอตั้งแต่มาหารพระอาจารย์เนี่ยก็จะมาที่วัดพระอาจารย์เนี่ยอาทิตย์เดือนละสองครั้งแล้วก็ทําบุญที่บ้านวันวันอาทิตย์ท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยให้ให้มาวัดท่านเนี่ยเดือนละครั้งแต่ว่าช่วงนี้เพลินว่าเมืรุกุฏิยังไม่เปิดนะพระอาจารย์เพราะโควิดนะคะก็เลยเดี๋ยวไปว่าท่านถถาก่อแล้วถ้าเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนะี่ยก็จะได้เข้าพักค่ะ ้ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าพอคือตัวเองก็ทํำตามที่พระอาจารย์บอกมาเรื่อยๆอ่ค่ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพอพ อ, พอไปเจออาจารย์แบบนั้นรู้สึกว่าเออเรามองกลับมาเออเราก็เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเยอะจากตอนแรกที่เข้ามาหาพระอาจารย์ก็คิดว่าแค่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยตอนนี้เข้าใจอะไรเยอะมากขึ้นเลยค่ะพาา ร, <c oughs> ระอาจารย์ขอบคุณมาก็อย <c oughs> ู่ให้ตัวเราเนาี่ยตัวเราขนไคว่พระอาจารย์ <c oughs> สอนด้วยพระอาจารย์ขนไคว่มาตั้งนาน มันก็แบบเด็กๆก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องเพราะเจอว่าบางคนรู้จักเราตั้งนานก็ยัง <c oughs> ยังไงก็อย่างนั้นไม่เห็นก้าวไปข้างหน้าเลย <c oughs> แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยครับครูก็สอนเหมือนกันทุกคนสอนให้นักเรียนทุกคนแต่อยู่ที่นักเรียนจะขวนขวายคนควายหรือไม่บางทีบางทีเข้ า, าหูซ้ายเข้หาหูขวาแล้วพวกทัพทีในหม้อแกง อย่าลูกศิษย์เราก็มีสองพวกอ่ะพวกตับีในหม้อแกงกับพวกลิ้นกับแกงนุ้ยแล้วพวกลิ้นกับแกงเนี่ยโยดเดียวก็รู้เลยรสชาติเป็นยังไงติดใจแล้วพวกตับพีในหม้อแกงฟังเป็นเดือนๆปีๆก็อย่างนั้นอย่างนั้นเหม็น ม, ม, มีอะไรค่ะจริงๆต้องฟังแล้วไปทำนะพ่ออาจารย์คือมีความรู้สึกว่าแค่ฟังแล้วไปทําตามที่พระอาจารย์บอกอะ่ะแค่ไปทําเองอะ่ะคือรู้สึกเลยว่ามันมันเข้าใจมันมากขึ้นอย่างเช่นคราวที่แล้วค่ะเพราะอาจารย์บอกว่า ให้นั่งหชั่วโมงที่บอกคุณเอกอะค่ะก็ก็กลับไปนั่งใหม่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไปฟังเทปห้านาครึ้นชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ก็นั่งห้าชั่วโมงก็คือตื่นตีสามนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นั่งต่อนั่งได้นะว่าอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความอยากจะลุกหลืออะไรก็คือเกือือนั่งสมาธิสลับกับเจริญปัญญาไปด้วยพระอาจารย์นั่งได้ก็เลยคิดว่าไอห้าชั่วโมงนั่งได้อยู่วัดนั่งอยู่ปัญหาค่ะพร้อมพระอาจารย์พร้อมที่จะอยู่มากๆเลยอะเขารู้สึกว่าคือแบบ ที่พระอาจารย์ได้เทศบรรเสาร์ที่เรื่องของการเตรียมตัวมากน้อยสันโดรเรื่องของการที yeah. ่ไม mm ่คลุกคลีการเรื่องของการปีกวิเวกแล้วก็สติสมคืออาจารย์เทศได้ให้ให้ตัวเองตัวเองรู้สึกว่าเทศตัเองฟังได้ครบทุกอย่างเลยแล้วเตรียมพร้อมได้แล้วก็เลยแล้วก็อีกกันหนึ่งนะพระอาจารย์ก็คือฟังสติปัฏฐานสี่ของขององค์ตามหาบัวสมัยก่อนฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่พอตั้งแต่ที่ทำตามที่พระอาจารย์บอกอ่ะเริ่มฟังพระอาจารย์องค์ตามหาบัวเริ่มเข้าใจตอนนี้ก็เลย ก็เลยทําเรื่องของกายกับเวทนาอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือกายก็พิจารณาการทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ากายนอกกายก็คือทั้งหมดเลยสัตว์สิ่งของแล้วก็คนด้วยแล้วถ้าเวทนาก็คือเวทนาในร่างกายเราซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหากับเวทนาพระอาจารย์คือไม่กลัวแล้ว ก, แว ก, กวว Meredith ็แล้วก็ไม่ไม่กลัวเวทนาคือต้องคือเฉยๆได้ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็เวทนาในจิตที่เรื่องของอริยสัจก็ก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกพยายามมีสมาธิทําเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่วัดจะเอาตรงเนี้ยเข้าไปอยู่ในใจตัวเองให้ได้ จะได้อยู่กับตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องมีเอาอย่างอื่นมาก็เป็นเขาอยู่สาวันพระอาจารย์ฮะไปอยู่สาวันไน้เลยเขาให้อยู่ศูนย์สิบห้าวันแต่ว่าช่วงต้นสามวันไม่พอหรือพ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบอกวันเดียวเพราะวันเดียวถึงน้อยไปก็เลยเวลาเวลาก็ไม่มีด้วย พระอาจารย์ น, นี่ถ้าวันที่นี้สาวันนี้คือต้องแบบโหจดตารางกันนะพระอาจารย์คืออย่างวันอาทิตย์นี้จะไปหาพระอาจารย์แว่าวันเช้าต้องไปส่งลูกฉะนั้นก็เลยกะว่าเราทำคือตัวเองตอนนี้ทํางานก็จัดตารางงานเลือกเลือกทํางานดับหนึ่งแล้วก็เรื่องงานที่เราช่วยของลูกวัดของอาจารย์รับษรแล้วก็เรื่องงานธุกรกิจตัวเองอ่ะดับสุดท้ายเลยคือแบบคือแบคอบคือเลือกของพระอาจารย์เป็นแบบเพราะฉะนั้นจัดตารางมาได้วันอาทิตย์ก็อาจจะต้องมาตังแประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็รีบวิ่งมาหาอาจารย์ ก็พยายามจัดต า, ารางพระอาจารย์แล้วก็พยายามฝึกทําให้มันสมาธิมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็<ข>รู้สึกแล้วว่าความยิ่งเราก็ดูผ่าน y ย u ทูบเฟซบุ๊กได้มาไม่ได้ค่ะแต่แต่ว่าตั้งตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะมาพระอาจารย์เดือนละสองครั้งคือจะไม่เสียสัจจะวระอาจารย์เป็นคนที่แบบทําอะไรจะต้องทําจริงอ่ะพระอาจารย์ก็คือคิดว่าสองครั้งที่บอกพระอาจารย์ไว้เรียนพระอาจารย์ไว้เพราะจะได้ทําบุญด้วยไม่ใช่อะไรค่ะฟังได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากทําบุญด้วยพระอาจารย์ เหมืนกับมาห า, าอาจารย์น ะ, น ะ, นะเป็นลูกศิษต้องมาหาอาจารย์ออะเต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์พราเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเจอเส้นทางกลับบ้านนะพระอาจารย์รู้สึกมันอยู่ในใจแล้วอุย้ยเหมือนเจอเส้นทางกลับบ้านแล้วอะแบบดีใจมากมากเลยพระอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นไม่มีพระเจ้าไม่มีพวกเราวันนี้ใช่แต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันเพราะว่าอ่านหนังสือเองไม่รู้เรื่องว่าอาจาสย์ภาษา์อาจารย์อื่นมีเยอะไปถ้าไม่มีอาจารย์นี้ก็มีอาจารย์ ได้จะไปยึดติดกับอาจารย์ค่ะอาจารย์แต่ก็ตอนนี้ขอ<ม> ก, ก, ก็ก็คือฟังพระอาจารย์ก่อนคือเข้าใจที่อาจารย์พยายามบอกนะครให้อัตติอัตโนนาโถก็พยายามตั้งใจทําำอาจารย์<ม>จะยึดติดกับธรรมไมได้ยึดติดกับคนะพอเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างตั้งใจทําให้ถึงจุดที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ก่อนค่ะอาจารย์ค่<ม>ะก็คืออย่างน้อยก็ตั้งตั้เพอทําถึงจุดแล้วเนี่ยถึงยังไงเนี่ยเราก็จะได้เดินทางเองต่อได้เพราะตอนนี้ถ้าเกิด เรามาทไม่ถึงจุดเนี้ยถ้าตายไปมันยังเดินทางต่อเองไม่ได้ช้าน่าเกิดมาไม่เจอผู้ศาสนาสวยเลยค่ะอืม ด, ด, ดีพยายามไม่ถถ้าตั้งใจจริงๆไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากมได้ไดถ้าเก่งก็เจ็ดวันก็ไม่ม ร, ไมรู้ว่าเจ็ดเดือนจะไหวไหมพระอาจารย์พว่านี้ถ้าไปวัดนะพระอาจารย์ตั้งใจมากเลยเพรานี้มันผ่านมาสามสี่เดือนใช่ไหมอาจารย์ถ้าไปวัดคิดว่าถ้าไปวัดเนี่ยน่าจะได้อะไรเยอะเพราะว่ามันได้ทําทั้งวันอ่ะพระอาจารย์ เออก็อย่าไปอย่าไปหวังมากเดี๋ยวมันไม่ได้ผลนะมันจะผิดหวังเราได้ขออีกสามไม่เสียใจง่ายเลยแต่ไม่ยกไม่ไม่ยอมแพ้ง่ายอ่ะอยากไปหวังผลหวังเหตุกันแล้วกันหวังขอให้ได้ทำเยอะๆส่วนผลจะเป็นยังไงก็ก็อยู่ที่เหตุเราทําว่ามันถูกก็ไม่ถูกสุปฏิบันโนหรือไม่อุชุยายะสามีจิตหรือไม่มันอยู่อยู่ตองเหตุกันหลัก ถามตัวเราเองนะนี้เราปฏิสุปฏิปันโนหรือเปล่าอุโชยายะสามีจิปฏิปันโนหปล่ปา<ม>ถ้ามีสี่อันนี้ก็ก็เป็นสาว ก, กสังโฆได้บทพุทถ้าสังโฆนี้ก็เป็นเป็นบทที่สอนเรานะให้เรารู้ว่าการเป็นสังสังฆ า, านี้เป็นยังไงก็เป็นด้วยการปฏิบัติด้วยที่เหตุไม่ใช่ด้วยด้วยที่ผละ ผลมันตามเหตุมะถ้าไปเจ้าที่ผลมันเฮ้ยคราวนี้ไปคอยสงบคอให้สงบเราไม่มีสติอะไรขอไงก็ไม่มีวันสงบจะขึ้นยุยตัวน้ำตาอต้องอยู่ที่เหตุต้องสัมมาสติเอต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะตามม า, ามีทาเท่านี้เหรอสามีแท่านี้ค่ะเดี๋ยวทาต่อมาถ้าที่หน้าค่อยมาถามเอดได้ ท่านต่อไปคุณทวิษาจา ก, กสวิตเซอร์แลนด์เชิญกลาวธรรมสการ์ท่านพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะสบายดีค่ะท่านพระอาจารย์วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มขึ้นมานิดนึงคือวันนี้ไม่ทานอาหารค่ะจะขอดื่มน้ําอย่างเดียวค่อดอาหารหนึ่งวันเด้อเก่งขึ้นเลยค่ะ <laughs> คือจะเริ่มเริ่มเริ่มให้แบบเออ yeah. น่าจะได้เริ่มต้นกิเลสแล้วเมื่อก่อนกิเลสมันขอยต้านเราให้เข้าลงครัวนี่ก็ต้นกิเลสให้ออกออกจากลงคัครับปิดครัวเลยค่ะวันนี้ก็ค่ะก็ไลยตั้งใจไว้เริ่มแต่พึ่งพึ่งได้แค่ครึ่งวันแต่ว่าคิดว่าได้แน่นอนไม่ตายหรอกว่าไม่ตายเพราะพระพุทธเจ้าตั้งสี่สิบเก้าวันนี้ไม่ตายไม่คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กําลังใจเวลาเราท้อ เพราอะไรเราแค่นี้เองพระพุทธเจ้าแค่ไหนค่ะก็เลยว่าเราค้าลองดูแล้วเห็นน้องน้องน้องคนตอนก่อนหน้านั้นเธ อ, ออดต้องสามวันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดวันทีละอดทีลเจ็ดวันโอ้เจ็ดวันนะคะก็<ม>เลยว่าุ้มของเราเริ่มต้นก่อนวันหนึ่งก่อนค่ะถ้าเกิดเราไปอะไรเราค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็อยู่ที่เจริญว่าถูกกับมันหรือไม่แล้วกาลังสติเราไหวหรือไม่นะ คนฟังก็อย่าไปตกใจนะว่าต้องอดเจ็ดวันด้วยเหรือไม่จะเป็นนะสําหรับแต่ละคนนี้ต้องเลือกอุบายของตนเองนะมากน้อยก็แล้วแต่อันนี้เพียงแตมีเหตุมีตัวอย่างก็เลยเออกมาพูดแบบให้ไม่ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนเขาเตะอะไรทุกอย่างเหมือนกันเราดูกําลังของเราด้วยทําทได้ก็ดีอไปอาจจะได้ทําบ่อยๆขึ้น ค่ะแก็คิดว่าต่อจากนี้ก็อยากจะบอกว่าหนึ่งวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเร า, างจากวันไหนที่เราไม่ได้ทํางานก็ออลองดูได้วันไหนว่างไม่ต้องทำงายก็อดไปดื่นนมน้ำหรือถ้าเย็นๆบ่ายๆจะหิวก็น้ําพึ่งก็ได้อนุญาตน้ำพึ่งออน้ําตาลนี่กินได้ให้ให้กําลังนิดหน่อยค่ะค่ะออท่านพระจันท์วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ะออหลังจาก ที่สามวันที่หยุดมาฟังพระอาจารย์เทศก็เลยอืมคือแบบว่ามีวันไหนไม่รู้ที่จําไม่ได้ว่าวันไหนพระอาจารย์เทศจาก A B Z, เอปิดเซตเอถึงเซตก็เลยบอกอืมใช่เลยตื่นขึ้นมาก็เลยทาํทาตามพระอาจารย์เริ่ ม, มเริ่มได้มาอืม<ช>ก็ดีค่ะคือตื่นมานี่ต้องลุกจากเตียงเลยลุกมาปั๊บก็ใส่ก่อนเลยเดี๋ยวมีตัวกวนเข้ามาแล้วเล็กทิ้งใหหน่อยเลยอ่าไปแล้วโอเค ค่ะเริ่มค่ะตั้งค่ ะ, ะทาให้เถอนะแล้วมันจะได้ทำมากขึ้นมากขึ้นไปมันจะมีกำลังมากขึ้นมวลไปเอค่ะโอเคนะอาท่า น, นี้ก่อนนะค่ะกขอบคุณค่ะท่นต่อไปคุณวิลาศินีจากเยอรมนีกลับมาราชการค่ะท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างรอาทิตย์นี้ โยมต้องประคองตัวเองไปก่อนค่ะเพราะงานทางโลกมันเยอะเหลือเกินค่ะตอนนี้ก็คือรักษาเส้นดัดของตัวเองไว้ค่ะทำแค่วันละสามชั่วโมงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องจัดการทางโลกก่อนค่ะท่านอย่าสัมผัสมันกูจะดยังไม่ว่าก็อย่างน้อยรักษาสถานภาพไว้ก็ยังดีอย่าให้มันถดอยแต่มีที่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะท่านเวลา ทำงานแล้วมันวุ่นวายความเครียดมันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาไปนั่งนะคะมันกลับลงวัยอะค่ะเหมือนจิตมันมันต้องการอยู่แล้วะค่ะท่านที่จะพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะดีมันมันม้วนลงให้เลยอะค่ะม้วนม้วนมไปนิ่งสว่างไม่ยช่ไม่ใช่ที่มันเริ่มวุ่นวายมันก็อะไรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องต้องทําใจยอมรับสภาพไปก่อนนะคะท่านต้องทํามาหาเลี้ยงชีพก็ทําไปค่ะ ยังอยู่ใต้ทางโ ด, วดยวนเหนือยังไม่ได้ขึ้นทางโดยใช่ค่ะอยากขึ้นมากเลยแต่ว่าอยากก็เป็นกิเลสค่ะอาจารย์บอกแล้วค่ะใช่เหมือนต้องหาทางขึ้นพอขึ้นพอเจอทางขึ้นนี้มันไม่ต้องอยากมันก็ขึ้นได้ค่ะตอนนี้<ต>หาทางขึ้นไม่เจอค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับทดสอบใจตัวเองก่อนนะคะไปเรื่อยๆว่าเอาจริงไหมทางนี้จริงไหมคะ่ะแล้ว อ, อีกอย่างหนึ่ง ที่โยมอยากจะถามท่านพระอาจารย์นะคะคือมีอยู่ครั้งหรือสองครั้งนี่นะคะเวลาที่โยมจะว่าติดขัดก็ไม่เชิงนะคะเหมือนจิตมันซักฟอกตัวเองก่อนที่จะเข้าสมาธิอะคะ่ะเวลาวันนี้เราทําสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะดีหรือไม่ดีอะไรอยงนะะี้ยค่ะมันจะซักฟอกตัวเองแต่ว่าในการซักฟอกมันเป็นการคิดเอาคิดเอาแต่ว่ามันกับสว่างนะคะท่านเหมือนเราอยู่ในสมาธิสว่างสว่างพอซักฟอกตัวเองจนคิดว่าเรา ปงได้แล้วทําใจได้แล้วมันถึงจะสงบอะไรเงี้ยค่ะท่านอืก็ได้ยอควรจะตัดมันทิ้งเลยใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามันไม่ไม่ขัดกับการทําใจสงบก็อยากจะคิดก็ได้แต่เวลาทําสมาธิจริงๆไม่ควรคิดเรื่องต่างๆคิดตอนก่อนหรือก็ตอนหลังก็ได้แต่เวลาทําสมาธินี่ควรจะเพ่งอยู่กับอารมณ์ลยดีกว่าค่ะควรจะหยุดคิดแล้ว แล้ววิธีการวางจิตก็คือสําหรับโยมก็คือดูแสงสว่างแล้วก็ดูตัวว่างๆนั้นใช่ไหมโยมจะรู้สึกว่าถ้าใช้อันนี้เป็นอารมณ์อะค่ะมันจะดีค่ะดูที่คำว่างแล้วก็สงบให้มันนิ่งอยู่ใช่ไหมคะอยูมันดูลมใช่ไห้ใช้แสงเป็นอารมณ์แทนลงก็ได้ค่ะแล้วพอทําอย่างนี้นะคะท่านรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากเลยค่ะแล้วมันเย็นเข้ามาข้างในอะค่ะแล้วตอนกลางคืนเวลานอนก็ เหมือนกับนอนมันเหมือนแบบจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนตัวเราหลับแต่ใจเราตื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราก็กลางคืนถ้านอนภาวนาก็จะเห็นแบบเหมือนดาวดวงเล็กๆอะค่ะสว่างสว่างไหลกลับเข้ามาที่หน้าอกตัวเองอะค่ะเห็นอย่างนั้นบ่อยเลยค่ะก็พิจารณาเป็นทายลากไปก็แล้วกันอย่าไปยึดไปติดมันค่ะมันมาก็มามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะค่ะ เดี๋วไม่นะติดเดี๋ยวไปติดมันเดี๋ยวันนี้ไม่เห็นเลยหายไปไหนวะยไม่ต้องไม่เห็นก็หลับค่ะนอนไปเลยไม่ก็ไม่มามาก็มารับได้ทั้งสองแบบมาก็ได้ไม่มาก็ได้ทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปยึดไปติดมันเริ่มทําใจได้ดีขึ้นเวลานอนภาวนาตรงกลางคืนพ่อบ้านกลนใช่ไหมคะแล้วก็ช่างเขาเขาจะกลนก็ช่างเขาปกติจะต้องตีอย่างเงี้ยค่ะแบบเบาๆหน่อยนะคะแล้วก็นอนภาวนาแต่ตอนนี้กลนก็ปล่อยเขากลนเราก็อยู่กับ อารมณ์ภาวนาของเราไปค่ะค่ะจะได้ว่าจิตเราแข็งขึ้นแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นได้อ่าสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็จะกลายเป็นแบล็กเกลว์ไปอะไร่ะไม่ได้ค่ะแก้ที่ตัวเราดีว่าไแก้ที่คนอื่นนะค่ะค่ะไม่มีคําถามอะไรแล้วค่ะท่านวันนี้แค่นี้ค่ะเราฟังไปก่อนเดี๋ยวอาจจะนึกอะไรขึ้นมาได้ต่อไปค่ะค่ะกลับขอบคุณคุณค่ะคุณมาลีเชิน จากกรุงเทพยังอยู่ที่ทํางานอยู่ในนี้อยู่คุณเพิ่งกลับมาได้สักแป๊บ น, นึงอะค่ะหลวงพ่ อ, อถึงบ้านแล้วยถึงถึงแล้วค่ะตรงวัชการเนี่ยค่ะหลวงพ่ออาทิต ย, อตย์อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยสงบเลยค่ะหลวงพ่อมันมีเรื่องวุ่นวายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเลยค่ะหลวงพ่อยังกลับมาสองสามทุ่มหลวงก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ปฏิบัติจนถึงทีห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง แล้วก็ตีสี่ตีห้าก็เอามาใหม่เสร็จไปถึงออฟฟิศก็เจ็ดโมงครึ่งก็ต่ออีกเกือบเกือบแปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อดีเวยมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ถือว่ามันเป็นยังไม่เทียบของบค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ า, แ ต, วาแต่ว่าช่วงที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะมันมันเหมือนมันยังเข้าไม่ถึงแต่ว่ามันก็นิ่งค่ะหลวงพอ่อ แต่ว่าความก็เรียกความแรงของเวทนาค่ะหลวงพ่อมันมันเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูก็อยู่จนกระทั่งเวลามันที่เรากําหนดไว้มันหมดอะค่ะก็ไม่ได้ทุรนทุรายแต่คือความรู้สึกว่ามันรุนแรงค่ะหลวงพ่อพอพอหมดเวลามันถึงมันถึงหลุดออกมาอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อก็ปล่อยมันมันมันจะแรงจะค่อยก็เรื่องของมันไปกําบังขับไปไม่ได้ นัสตานะเวทนานัสตาให้รู้เฉยๆให้สั่งแต่ว่ารู้ค่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่พี่คนเมื่อกี้บอกค่ะเวลาเหมือนมันผ่านไปเร็วทั้งๆที่ว่ามันนานค่ะหลวงพ่อที่เรานั่งนั่งอยู่แบบมันเหมือนแบบมันนิ่งไปเลยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนอยู่ในอวกาศมันแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วทีนี้ที่วันเมื่อวันอาทิตย์ที่หลวงพ่อเทศนะคะที่ที่บอกว่าถ้าคนที่ล้มเหลวทางโลกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาล้มเหลวทางธรรมเนี้ยหนูก็เลยต้องเหมือนต้องพยายามทํำทางโลกให้มันใ ห, ให้ให้ให้ดีแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทางเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็เพราะว่าทําอะไรก็ต้องทําให้มันให้มันดีไม่ว่าทางโลกมาทางธรรมค่ะ เราทำทางโลกทําให้ดีแล้วมาทําทําทาำท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำมันก็จะทําให้ดีตามทิศสายเดิมค่ะแล้วทีนี้พอพอเราปฏิบัติแบบเนี้ยค่ะมันเหมือนมันเยอะใช่ไหมคะแล้วทางทางญาติทางอะไรเนี้ยเขาก็บอกว่ามันสุดโตงแบบมันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มันเยอะเหรอพระพระเขาปฏิบัติมากกว่าเราเยอะเนี้ยค่ะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนคเรายังไม่ได้เชี่ยวของพระ หนูก็คิดว่าแบบนั้นฮะอ่าเขาไม่เคยเห็นคนปฏิบัติจริงๆว่าปฏิบัติกันยังไงค่ะไม่คิดว่าปฏิบัติอาทิตย์ละคนครั้งก็พอวันพระเข้าไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งก็พอแล้วไม่ไปอะไรมากไปใช่ไมเพราะไม่เห็นพวกที่เข้าไปบวชกันท <ๆ S 2> ีนี้พอเว า, ราเราไปอยู่แบบกับทางบ้านทางครอบครัวเขาปล่อยเขาพูดไปเราไม่ต้องไปสนใจฟังเขาแล้วเอ่อ อย่าไปอวดฉลาดกันเขาเขาเขาเขาอยากจะอวดฉลาดกับเราแล้วก็อวดงอออกไปไปล่อยเข้าว่าไปพังไปคไปท่านเองมันเหมือนกับว่าเราพยายามเหมือนเราเราจะปิดตัวออกมาห่างๆนะคะหลวงพ่อเวลาเรามีเวลาเราทําธุระให้ครอบครัวเราเสร็จเนี้ยเราก็จะมาของเราเพราะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเราแบบเราเปิดตัวออกไปอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็บอกเรามีธุระสองตัวเนี่ย เราจะร่าส่วนตัวต้องทําค่ะพ่อเราไม่เราไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเราเมื่อเสร็จหน้าที่ของเราเราก็ไปทําธุระของเราต่อบอกก็ค่ะธุระของเราธุระทางใจค่ะต้องทำคนเดียวคนอื่นทําให้ไม่ได้หนูก็จะพยายามหาเวลาหนูจะไปไปอยู่วัดบ้างจะจะเริ่มสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยค่ะเราตามคุณพาชนาไปเดี๋ยวให้คุณพาชนาเปิดทางดู หลวงพ่อเขาเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนูก็ไปอยู่ที่ที่วัดเจ็ดวันที่วัดอรมพรวันที่สิงห์บุรีอค่ะหลวงพ่อไปอยู่แต่ทีเนี้ยพอดีมันมีเรื่องหน้าที่การงานหนูก็ลาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หนูจะพยายามจะหาหนูก็เลยว่าจะไปหนูลองดูที่วัดสังฆทานที่ที่พอดีหนูก็มีที่พักอยู่ที่นนทบุรีด้วยค่ะหลวงพ่อได้น้องดูที่ไหนก็ได้ดูใช่ไหมคะค่ะ หนูก็ว่าจะหาเวลาไปที่วัดเนี้ยมันไม่ไม่ไกลมากค่ะที่ไห้สะดวกก็ไปค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าถ้าไปแบบไปแล้วไม่ต้องไปทากิจกรรมรวมกลุ่มได้จะดีกว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าไปบางวัดเาบังคับให้ไปทากิจกรรมรวมกลุ่มต้องลงบ่อเช้าเย็นไหวพ่าส ที่วัดพระอาจารย์หลวงพ่อตันน่ะเหรอคะเออหลวงพ่อตันเนี่ยอ้โหเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์พระชนะดูเลยค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติน่ะก็จะมีแบบตีสามตื่นมาไปทำสวนมนทำวัดเช้าทำอะไรแล้วก็กว่าจะมาได้ได้ปฏิบัติต้องต้องนั้นกินอาหารเสร็จแล้ว ใช่ค่ะแล้วแล้วเวลาช่วงเวลาที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ประมาณแค่สี่สิบห้านาทีอย่างนี้นค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเดีอยู่บ้านดีกว่าหนูว่ามันมันน้อยไปแบบอย่างนั้นนะคะใช่ต้องไปแบบที่เขาให้อยู่คนเดียวปฏิบททัติคนเดียวมาทําเฉพาะกิจที่จําเป็นเท่านั้นเองช่วคราวเดี๋ยวเดียวช่วงเช้ากินข้าวเสร็จก็ปล่อยให้ไปปฏิบัติถึงถึงวันลุ่งขึ้นเลยไม่มีวาคไม่มีทําวัดสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่า อันนั้นเป็นเป็นการบูชาอย่างหนึ่งเราไปเดินโยกรมนั่งสมาธิก็เป็นการบูชาออย่างงดีกว่า<ะ>ปฏิบัติบูชาเดี๋ยวหนูจะลองหาโอกาสหาเวลาอีกค่ะเพราะว่าตั้งแต่หลวงพา่าจรัญไม่อยู่หนูก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วค่ ะ, ะคือวัดแต่ละวัดท่านก็ดีของท่านไม่ไม่ว่าไม่ดีแต่มันอาจจะไม่ดีกับเรา <laughs> เราอาจจะต้องการแบบอีกแบบหนึ่ง ที่เราแนะนำนี่ก็ให้ปฏิบวิเวกเป็นเป็นเป็นหลักให้ไปอยู่คนเดียวที่คนีให้ก็ให้เราอยู่คนเดียวให้เราปฏิบัติของเราไปตามลําพังไม่ใช่มาต้อนเป็นเหมือนเด็กอนุบาลใช่ทั้งเวลาเดินโยงกลมถึงเวลานั่งสมาธิอันนี้เหมือนแบบว่าอนุบาลทําเองไม่เป็นใช่ไม่ตรงนส่วนเดี๋ยวจะมีแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นยงนั้พาส่วนใหญ่เป็นพวกผู้เริ่มต้นเออแล้วก็เขาส่วนใหญ่ก็ไปแค่ไปลองไปลองดูชิมลางดูสามมันอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะเราพิจารณาดูเอาเอาเทนี้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะบิ๊กมี่โอเคค่ะหลวงพ่อคุณเอกอยากเชียงรายเชิญคุณเอกกลาวนมวสการพระอาจารย์ครับ ไปยังไงมีอะไรไหมวันนี้เ อ, อ่อวันนี้ก็กลับรายงานเ อ, อผลการปฏิบัติที่ผ่านมาครับอาจารย์อืก็ตอนเช้าก็นั่งก็ได้นานขึ้นครับมีเพิ่มมานั่งได้สามชั่วโมงครับอาจารย์ก็เหมือนแบบพรอาจารย์เ อ, อได้ให้คําแนะนําไว้ครับเ็นไม่หลับเนาะไานั่งไม่หลับนอาจารย์โอไม่หลับครับอาจารย์ไม่หลับครับ ม, มันมันจะนั่งแล้วมันประมาณสักชั่วโมงสามสิบันจะปวดครับอาจารย์ พิธนาก็เหมือนเราพระอาจารย์บอกครับก็ถ้ามันไม่ไหวก็ลุกยืนสักแป๊บหนึ่งก็นั่งต่อนั่งต่อมันก็มันก็มันก็หายไปมันก็ลงอยู่ครับพระอาจารย์มันก็นิ่งนิ่งไปครับแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นก็เดี๋ยวนี้ผมเดินจงกรมครับฝึกสมาธิฝึกสติครับพระอาจารย์ก็เดินประมาณสองชั่วโมงกว่าครับ ก็มันก็ในช่วงมันก็จะเห็นช่วงชั่วโมงเอหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปมันก็จะอความปวดก็จะมาอืก็เห็นมันมาก็เราก็มันจะฝืนนิดหนึ่งครับถ้าเลยชั่วโมงหนึ่งถ้าเลยชั่วโมงที่สองไปจากชั่วโมงที่แรกโมงแรกถึงชั่วโมงที่สองไปมันก็มันก็เบาไปครับอาจารย์เอครับผมก็ปฏิบัติอย่างนี้อะครับอาจารย์พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นนะเดินให้มากขึ้นนัให้มากขึ้น ครับผมเพราะว่าในช่วงช่วงเดินเอถ้าเดินมันพุทโธพุทโธถ้าเกิดอจิตมันไหลไปผมก็จะเปลี่ยนมาเอบริกรรมอาการอ32นะฮะผมกเล็บฟันหนังไล่ไปฮะให้มันไม่คิดก็ได้ครับครับถ้าวันถ้าหลังจากกลับมาก็ถ้าหลังจากเอจิตมันไม่ไม่วิ่งไปที่ไหนก็กลับมาที่พุทโธต่อเนี่ยครับช่วงช่วงช่วงเดินทุกงครับผม หรือถ้าเหนื่อยก็ดูเท้าไปเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้โอ้ค่ะเพราะว่าจะมีช่วงเหนื่อยระหว่างเอชั่วโมงที่สองไปชั่วโมงที่สามช่วงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มมาอีกรอบหนึ่งความง่วงก็จะมาก็ฝืนเดินไปครับคิดว่าครับผมอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์วันนี้ทําให้มากขึ้นถ้าทาได้เพิ่มไปเรื่อยๆครับผมครับผม ขอบอกผู้คุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยว <Okay. S 2> สัปดาห์หน้าผมมารายงานใหม่ครับใช่สาธุคุ ณ, คณสุภัธนาอยากบอกวินเชิญกลับแวักการพะอาจารย์จา้าค่ะ อ, อ่ามามีอะไรบ้างก็เอ่อช่วงนี้นั่งสมาธิได้ได้นานขึ้นโดยไม่หลับอ่ะค่ะอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเอ่อก่อนหน้านี้เคยนั่งที่ประเภทว่าข้ามเวทนาก็คือ ข้ามความเจ็บความความเป็นเหน็บชาแต่ว่ามันจะไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเงียบไปซึ่งที่พอาจารย์บอกว่าเป็นการหลับพอมานั่งโดยไม่หลับเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นเหน็บชาแต่ก็พยายามไม่ไปโฟกัสมันออพอฝึกไหวก็จะมาดูว่าเออเวลามันก็นานขึ้นจะเคยนั่งแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงสามสิบนาทีตอนนี้ก็ได้สามสิบนาทีอะคะ่ะอาจารย์เออดีค่ะ แล้วก็พยายามมีสติในขณะนั่งสมาธิแล้วก็ระหว่างวันที่ไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ว่าจะไม่ทํางานก็พยายามมีสติอาจจะไม่บริการพุโทโธแต่ก็รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ค่ะออดีในเบื้องต้นก็ยังยังเผลอบ่อยอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็พยายามพยายามไปเรื่อยเรื่อยค่เดี๋ยวมันก็ชํานาญเองใชนน่ค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ฝึกเรื่องมีสติกับเรื่องการหยุดอยากอ็ออค่ะ<น>พยายามาปฏิบัติตรงนี้เวลาอยากอะไรที่มันไม่จำเป็นก็อย่าไปทําตามเลยค่ะแม้ในบางแม้แม้ในบางครั้งเนี่ยในการทํางานเราอยากทําหน้าที่นี้เราอยากเป็นแบบนี้อเออเวลามีงานอาสาอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าเราไม่ได้ทําในบางครั้งก็มีความไม่หขอหน้าเนี้ยจะจะ จะเหมือนกับเราไม่พอใจแต่พอหลังๆมาเราก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่งานที่เราจะต้องทําหรือไม่ใช่หน้านที่ที่เราควรจะทําอันนี้เราก็ต้องก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปไปอยากตรงเนี้ยค่ะเออดีตอนนี้<อ>ก็ได้มากขึ้นนะคะอาจารย์เาตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่เดือดร้อนค่ะตอนนี้ตอนนี้เหมือนกับใจมันเย็นลงมากขึ้นไม่ต้องอยากทําไม่ต้องอยากจะไปเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะค่ะอาจารย์ ทำงานของเราดีกว่าเอาสติกับสมาธินี่กว่าถ้าไม่มีอะไรทำา็เราก็ไปทําสติสมาธิของเราต่อค่ะตอนนี้ก็พยายามรู้สึกเย็นลงเยอะค่ะพระอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะวันนี้ก็ขอฟังธรรมแล้วก็กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุอาจารย์คุณวิไลได้ยินหร่าคุณวิไลจันทร์ตันูจันทร์ตู ไมเปิดวิดีโอเดี๋ยวข้ามไปนะทําให้เปิดวิดีโอมไม่อยู่ไม่อยู่ครับมึงจะข้ามเฉยๆมั้งเนไปที่คุณอเนกก็แล้วกันอเนกเชิญกราบธรัสการครับท่านอาจารย์ครับเอมาจากที่ไหนอนอเนกอเนกการมินไทยครับอเนกกาินไทยเข้าม้นเข้ามาครั้งแรกเหรอเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับยังไม่ได้หรอเพราะผ้ามันเล็กแล้วมันไกล ก็ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าวันเวลามันเร็วมากเลยครับก็พยายามจะทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นครับแล้วก็นั่งสมาธิเช้าเย็นแต่ว่าคงจะจะคิดว่ากาจะไปอยู่วัดสักอาทิตย์หนึ่งก่อนครับไปอยู่ที่ไหนปะที่วัดอาจาร์ตันหรือที่ไหนตอนนี้วัดอาจาร์ตันยังยังไม่เปิดให้ Uh huh. ครับยังไม่เปิดให้โยมเข้าไปยังอยู่บนเขาเลยยังไม่อยู่บนเขาทนะีโอนะท่านผมอันนี้จะไปจะไปลองอยู่วัดป่าสติปฐานญาณสัมปันปโนโครับอ่าอยู่จังหวัดไหนอยู่สารยาครับท่านอญญาจารย์ก็เป็นวัดสายตรงตามอะไรไหมใช่ครับอาจารย์อยู่ที่นั้นอาจารย์สิงโตครับอาจารย์สิงโตเลยเป็นเป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไ เป็นเป็นน่าจะเป็นลักษณะผมยังไม่เคยไปวัด น, นี้นะครับอครับวัดฝาอ า, านาญสัมปนันโนะสติปทานญาณสัมปันโนสติปทานญาณสัมปโนโนญาญโยที่อยากอยาวัดปฏิบัติใกล้ใกล้รุงเทพเราไปดูก็ได้มีสาระยานะสารยาครับมีที่ปฏิบัติให้แยกอยู่ได้ใช่ไหมมีท่านท่านบอกมีกุฏิให้แยกอยู่เดียวๆ เ, เลยครับทั้งหญิงทั้งชายนะ เอ่อแยกหญิงแยกชายครับถ้า ท, ทั้งหญิงทั้งชายครับอันนี้เป็นอย่างนี้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบสารกรรมฐ า, านจริงๆคือสาววัดป่าสาววัดป่ า, าก็จะมาให้จุกกันอยู่ในฮอเลยไม่แยกแยกครับแ ต, ต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติมารวมกันเฉพาะเวลามาฟังเทศน์หรือมาทํากิจกรรม รับประทานอาหารอะไรทั้งนั้นครับไม่มีทำว่าสวนมนครับมีอะไรไหมวันนี้ยังไม่มีครับอลองฟังไปเรื่อยๆ อ, อยู่นะครับ เ, เห็นไปที่คุณยินดีจากเซาแค ล, ลนนะิร์น้าเชิญยินดีเป็นยังไงบ้างน้องชัยก็มาใส่บาทเลื่อยนะช่วงนี้ บอกใ้ามาบอกใหเข้ามาคืนนี้ก็ไม่กล้าเข้ามา อ, อ๋อน้องชายเขาคงหนูขอคุณมากค่ะท่านอาจารย์ที่เมตตากับครอบครัวลูกอะค่ะแล้วก็เดวิดเขาฝากกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะอ่าดีคนะ่ะวันนี้ก็เราไปทางานพอดีเมนี้เช้านี้เช้าเลยนะค่ะเช้าเข้าไปประมาณห้าโมงตีห้าสี่ห้าค่ะเข้าไปแล้วค่ะค่ะแล้วกลับบ้านกี่โมกลับบ้านยี่โมงะ กลับบ้านมาก็ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มบ้างแล้วแต่งช่วงงานนะคะโองานเยอะนะเป็นเป็นผู้จัดการอนะไรนี่ไงเขาเขาหนูถ้าเกิดฟังชัน่นเขาก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาฝรัง่งเศสเหมือน s อสเอสอาราดิซียงเอสอาก็คือแบบเอ่อทางด้านช่วยช่วยในการเอ่อคล้ายๆเหมือนเป็นที่ปรึกษาค่ะ การค่ะปรึกษากับทางดเรคเตอร์ค่ะเป็นที่รทรทรรปรึกษาให้เขาอะค่ะว่าก็คุมพวกทางด้านการเงินด้วยอะไรด้วยพวกโรงงานพวกอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะค่ะไปอยู่ครั้งนี้ไปอยู่ได้นานเท่าไหร่คก็กําหนดโครงการก็คือสามปีแหละค่ะท่านอาจารย์แล้วไปอยู่ได้กี่กี่เดือนลนะปีหนึ่งค่ะปีปีปีง<ม>่ายสองเดือน ตอนนี้ค่ะที่ประมาณสอก็อันนี้ก็แล้วแต่การแล้วแต่เขาทางเขาจะประเมินมาค่ะว่าจะให้ไปไหนหรือเปล่านี่ม่ดีอาจจะได้มาเมืองไทยก็ได้นะอุยสาธุทุกท่านอาจารจะได้อยู่ใกล้ท่านอาจารย์เนี่ยกลับบ้านก็คือตอนนี้แม่ก็นั่นแล้วก็คือ คือห่วงก็คือห่วงห่วงน้องเฉยแต่คือเขาเขาเขาไม่ให้เรายุ่งเราก็ดูเหมือนอาจารย์บอกว่าเขาก็เหมือนน้ำค่ะก็ถ้าเกิดเขาเหมือนแก้วน้ำที่กว่อมเราก็ต้องเฉยอค่ะก็ที่อาจารย์สอนไว้อะค่ะเฮ้ยนะลงไปมันก็ไม่รั่วน้ำอย่ดีแก้วค่ะก็ไม่หนูกลัวหนูกลัวเรื่องผิดศินเท่านั้นเองค่ะที่ที่ที่ที่เตือนเขาแต่คือเขาไม่ฟังเราก็เลยแบบต้องเงียบก็เหมือนท่านอาจารย์บอกว่า ถ้าเขาเหมือนแก้วน้ําที่มันกว้างเราก็ก็ทําใจได้แล้วค่ะอาจารย์ก็คือก็ต้องอย่างนี้ค่ะก็ต้องปล่อยวางอะค่ะท่านอาจารย์แต่หนูก็โชคดีอะค่ะที่มีอาจารย์คอยโปรดท่านคอยโปรดเขาให้เขาแบบคอยโปรดเขาเขายังไงยังไงเขาจะไปห่างเขาก็ยังไม่กล้าห่างเพราะว่าปกติแล้วว่าช่วงที่ช่วงที่แม่เขาอยู่อ่ะค่ะเพราะว่าแม่เขาก็จะพยายามแบบว่าดึงเข้าหาพระอาจารย์เพราะแม่เขาจะไม่ แม่จะไม่เคยห่างผ้าจารย์เลยเวลาแบบเวลาแบบจะไม่ได้ไปทําบุญเนี่ยแม่จะแบบเตรียมแล้วแบบแบบแบบเตรียมว่าไอริปไปทําบุญไ ป, ไปทําบุญคือตรงเนี้ยค่ะจะติดนิสัยเข้ามาหนูก็เลยโชคดีตรงจุดเนี้ยค่ะที่แม่ก็ปลูกฝังไว้แล้วเขาคเวลาเขาจะห่างผ้าจารย์เนี่ยหนูว่าเขาก็เขาเขาคงไม่กล้าอืตรงจุดเนี้ยค่ะก็เลยได้มาตรงนี้หนูก็เลยโชคดีตรงนี้อ่ะค่ะตรงนี้ก็มาบ่อยอาทิตย์ละสองสามครั้ง เีาตีสังเกตเหรอค่ะนค่ะคมีอะไรไหมไม่ค่ะก็มากราบท่านพระอาจารย์เฉยๆยค่ ะ, อะขอบคุณมากพาะท่า น, านอาจารย์ไปที่ท่านต่อไปคุณสายทิพย์อาจารย์สายทิพย์เชิญอาจารย์น้าสารค้ า, านมัสการพรอาจารย์ค่ะช่วง น, นี้ก็นั่งสมาธิแล้วก็เริ่มเดินจงกรมค่ะรายงานการปฏิบัติ มีมีคำถามที่สงสัยค่ะคือประมาณสามสี่วันวันนี้ค่ะเราเราเ อ, าเอารู้สึกเหมือนเราลืมหายใจในระหว่างที่ทำงานหรือว่าปกตินียค่ะเหมือนแบบหายใจออกแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาเราลืมหายใจเข้าก็จะเฮือกขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการนั่งสมาธิของเราหรือเปล่า ไม่เกี่ยวมันไม่ลืมหายใจไม่ต้องเป็นมันมันทำมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วพอเราเป็นพอเราไปคิดท่านั้นมันก็เลยไปขัดจังหวะมันเองอ๋อค่ะแล้วตอนที่ตอนที่เรามารู้ว่าเราไม่ได้หายใจทำไมมันหายใจของมันอยู่ล่ะนั่นก็เลยสงสัยค่ะว่าเออหรือว่าเราเราไปวิดตกใจเองหรือว่ามีอะไรอย่าเงี้ยค่ะอออะไรนะคะเราไปวิดตกิจเองอ๋อไม่ต้องไปยุ่งอ่ะมันหายใจของมันเองมันไม่ต้องให้ใครใส่ ค่ะแล้วก็<น>ตื่นนอนตื่นนอนมันเหมือนเราดูลมหายเหมือนเรามารู้สึกที่ลมหายใจตลอดเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างวันตอนนี้เหมือนเหมือนติดมันจะอยู่แถวๆลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกอะไรประมาณ น, นี้ค่ะให้มันหยุดคิดอย่าให้มันคิดเรื่องราวต่างๆค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรานั่งสมาธิบ่อยๆมันชินพอไม่นั่งสมาธิในระหว่างวัน เราก็ยังอยู่กับมันตลอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ก็พอทําถูกก็ไม่ถูกดีก็ไม่ดีส่วนสาเหตุมันจะมาอย่างไรไม่ต้องไปค้นความันเสียเวลาอือก็คือปัจจุบก็รู้ปัจจุบันไปนะคะอือดีตมันผ่านไปแล้วไปรู้มันก็ไม่ไม่ไม่สําคัญแล้วทาไมรู้ว่าเสียเวลาไปนั่งคิดปเปล่า ถ้าไม่รู้กันช่างมันขอให้รู้ว่าเรากําลังทํำสิ่งที่ถูกที่ดีก็พอแล้วอืมค่ะก็คือสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะ้องไแต่ว่าถ้าตอนนี้ตอนนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าดูลมหายใจก็ออกก็ดูไปเอ่ดูอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็ใจเราเย็นหรือเปล่าใจเราใจเย็นค่ะตอนนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยโกรธไม่เค่อยอะไรกับใครค่ะก็สบายๆใครจะทำอะไรตัดมัไปเราก็ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจิตจิตดีขึ้นแล้วก็คอยตามว่าจิตมีกิเลสขึ้นมาบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ก็เหมือนตัดออกไปค่ะใจก็จะเบาๆค่ะน่าถูกแล้วทาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปค้นอดีตว่ามันเป็นยังไงมายังไงเอาปัจจุบันมาตอนนี้กิเลสมันโผล่มาหรือยัง บอมันขึ้นมาหยุดมันได้หรือเปล่าอื ม, อมค่ะอะไรจะเกิดก็ช่างมันก็ปล่อยไปปล่อยไปทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยเพรเรายัางมีหน้าที่ต้องทําอะไรอยู่ก็ต้องทําไปทําตาม<อ>หน้าที่ไปถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอืมค่ะก็มีมีคําถามประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์ก็ยังพยายามนั่งสมาธิแก็ มาเดินจงกรมบ้างปกตินี้คือเดินจงกรมปุบเดินไานั่งเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกตั้งนาฬิกาไว้ด้วยความที่ไม่ไม่ค่อยขนัดเดินตรงกลมแล้วก็เลยตั้งห้านาทีแต่ว่าทําไมรู้สึกพอเดินปักเดียวเอามันห้านาทีแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดินใหม่ตั้งใหม่สิบห้านาทีค่ะก็เลยก็ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมาเดินจงกรมเพิ่มขึ้นค่ะอต่อไปจะเดินเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ ถูกใจเดินแล้วใจใจมันสงบใจมันไม่ฟุ้งซ่านมีสติแล้วก็ไม่ไม่ทรมานมันนั่งอาจจะชอบเดินก็ได้เดินก่อนตดยนี้าะถ่าเมื่อยอยากจะพักค่อยมานั่งออค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามเดินตรงกลมให้ให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ จ, จะมิ่ตั้งเวลาอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะ ก็คือเดินเดินจะรู้สึกว่าพอแล้วค่อยมานั่งเดี๋ยวหนูจะลองทำเพิ่มขึ้นค่ะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปนั่งเฝ้าดูเวลาถึงเวลาเนี่ยถึงค่ะปฏิบัติคือให้ลืมทุกอย่างมีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ได้จ้าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณพรรุดาเชิญพรุดามีอะไรไหม อยากสักย์จรค่ะนักมาตรกาค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะสงบดีค่ะสงบดียังยังยังปฏิบัติได้อยู่บ้านตอนนี้ปฏิบัติได้ค่ะวันนั้นมาค่ะพุชาหนุก็ทําที่บ้านค่ะอ่ทำได้ในนี้อยู่ที่ไหนก็ทําได้แล้วนะดีกว่าได้ค่ะแต่แต่ว่ายังไงที่วัดก็ดีกว่าค่ะได้พร้อมเมื่อไรก็ไปใหม่ค่ะเดี๋ยวหากันไปอีกค่ะอืดี แล้วคนที่บ้านเขาไม่ว่าเลยไม่กินข้าวบ่อยอ๋อวันนั้นเขาถามอยู่คนนั้นเขาถามว่ากินมื้อเดียวเหรอ <laughs> ไม่กินเหรออย่าถามสิเขาบอกว่าอย่าถามสิ <laughs> แล้วเขาก็รู้เราค่ะเขารู้แล้วว่าว่าว่าไม่กินวันนั้นนะคะ ung, ดเดี๋ยวเขาก็ชินนะคะ่ะ <c oughs> ดี เดี๋ยวอีกหน่อยเผื่อจะได้ชวนมาไม่กินด้วยกันได้ถ้ชวนมาได้ก็ดีเจ้าค่ะอาจารย์แอย่าไปบังคับเขปล่อยเขาสมัครใจ <K' a. S 1> ด, ดีกว่านะค่ะที่เขาไปใส่บาทเขาก็ตื่นเองค่ะไม่ไม่เคย <ừ> ไม่เคยบังคับก็ปล่อยเขา <ừ> แล้วแต่มีมีท่านนี้นะเจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณธนพนไม่ทราบชื่ออะไรคุณเวียง เชิญค่ะได้อว่าแมงอยู่ที่ไหนอยู่นนบุรีเจ้าค่ะอยู่นนทบุรีค่ะ่มาที่นี่เข้ามาครั้งแรกค่ะแต่ว่าปกติหนูได้ปฏิบัติกับหลวงแม่คุณแม่วันนีอะค่ะคุณแม่วันนีวงใหญ่อะค่ะที่ไหนที่วังน้ำเขียวอะเจ้าค่ะวังน้เขียวค่ะค่ะ คุณคุณแม่ก็เป็นสายลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวค่ะเออดค่ ะ, ะมีอะไรหมก็อ่าอยากอยากเข้ามาปฏิบัติกับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอืมค่ะอ่าอะไก็ฟังฟังไปเรื่อยๆก่อนเจ้าค่ะอืมไม่มีคำถามเลยนะไม่มีเจ้าค่ะอยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะไปที่ท่านต่อไปเจ้าค่ะ นิสุไทเิเด็กมาเร็วมาสวัสดีพราารเร็วเร็วมาเร็วพะาาสุชาหลวงมาสวัสดีครับใช่แล้วค่ะค่ะกล่านะพรารพอาจารเ์ก็ค่ะวันนี้ขออนุญาตพาเด็กมาคุณโุยเด็วสวัสดีพราารดีดีหลวงสวัสดีค่ะพระอารครับ อสามขวบกับหกขวบเจ้าค่ะพระอาจารย์สองคนนะเออสองคนผู้ชายทั้งคู่เลยเจ้าค่ะก็รูกไปปฏิบัติที่วัดนเหศยงมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปแตกพืนเจ้าค่ะเป็นกรรมฐานตีดวาจาเจ้าค่ะเป็นวาชาไม่ยิ้มอะไรอลี้ยงเจ้ามารวมกันหรือเปล่าไม่ยิ้มก็หายิ้มไปเลยเจ้าค่ะ ก็ที่จริงแล้วเนี้ยไม่ต้องพูดนะบางลูกใครดับค่ะพอาารย์ก็คือว่าหมวกแล้วใครมาส่งเอาอ่าที่ปฏิบัติอยู่ปกติแล้วอ่ะไม่ต้องไปโปรดอยู่นะค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ภาวนาอยู่ที่สุติคนเดียวเจ้าค่ะค่ะก็จ right? e right? ิตจิตรวมดีแล้วค่ะก็แบบหมุนจับกิเลสเห็นกายเวทนาจิตทําที่จิตเขาหมุนออ่อสติเขาหมุนไปจับแล้วก็มีจิตผู้รู้ตั้งอยู่เนี้ยเจ้าค่ะหมุนป้อนพูดป้อนบางแน่ลูก เจ้าค่ะจนคือรู้ว่าแบบกิเลสมันอยู่ในใจเราเจ้ค่ะเวลาทําอะไรก็เห็นอะไรก็เป็นทําหมดเลยเจ้าค่ะนอนไม่ได้ด้วยเห็นตัวเองหลับไปพร้อมกับจิตร่างกายอย่างนี้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแล้วก็นอนน้อยแบบหนูไปแบบคือหนูนอนแท้รวมแล้วประมาณสิบชั่วโมงเองเจ้าค่ะคือแบบคืนหนึ่งสองชั่วโมงบางทีก็ไม่นอนนั่นหมุนแบบว่าหนูก็เอาเลยตามสบายน้องปุ้ปว้มันบังตรงนี้หนูขอโทษทำไมคะตอนหลั ตาพาร์ตาดับเล่มรไม่เห็นับเสียงน้อนะคแล้วข่ะาราก็โอ้ยเสียเขาแล้วกูรู้แบบูกๆอย่างนี้ต้อง่แล้วก็เหมือนกับว่าเราเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราแก้ไม่ได้อยู่ตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเล้วค่าภาร์ต์ก็แล้วมันก็คือมันก็ต้องเราก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนูก็สอนลูกสอนอะไรไปเ่งนี้ต้อง่แต่ว่ามันก็ ต้องกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันโลกที่เราแบบมันโลกสมมติแต่เจ้าค่ะก็เลยตำลังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้ฉันจะทํายังไงดีเพราะว่าอยู่ในอารมณ์ปรารถนแล้วมาสู่โลกปัจจุบันมันคนละอารมณ์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คาแนะนําร่วมด้วยเจ้าค่ะคือแบบก็ปล่อยวางแล้วเจ้าค่ะแต่ก็แบบก็ท<ำ>ํท<ำ>ําทาแบบทําแบบจดห น, น้ามนลใบลมหน้าที่เอทําแบบจดหน้ามลใบมรุ่งใจเราก็ยังปรารถนอยู่ สลกเรก็เป็นเรื่องของโลกก็ไปนล้วก็ทาหน้าที่ของโลกไป่ค่ะใช่ค่ะคือคือหนูก็ทำตัวเหมือนตรงว่าฉันเป็นนักแสดงแล้วก็คือแบบจิดมันก็ไม่ได้คือิตเขาไม่ได้เข้าเพื่อนแล้วนะคะแต่ก็คือใช้พูดอะไรมาแล้วก็ทำตามเหตุตามปัจจัยไปอะไร่งเงี้ยแล้วค่ะอยู่กับสติปัจจุบันก็คงแค่นี้ก็ค่ะกก็ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวหนูขออนุญาต พระอาจารย์น้อมขอพระอาจารย์เมตตาขอรับบุญกุศลที่ลูกได้ฝักบ้างใจปริมัดแล้วค่ะพระอาจารย์หนูตั้งใจมอบให้พระอาจารย์ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะพราแม่ครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเจ้าค่ะแลการจะไหลสองลึกนะครับคุณเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติทรรมทุกท่านด้วยนะคะอ่ะทุกเจ้าค่ะหนูอาจจะไม่ค่อยสะดวกแล้วค่ะพระอาจารย์คือแบบว่าลูกไบด้วยเค่ะนู้ฟูไท ล้าง่ะเอาสาตพระอาจารย์ด้วยอ่าพระอาจารย์เจ้าค่ะเตรียมเงินไว้นะถ้าน้ำเพิวมยังได้มีอยู่ไม่เปไรเพ่วมไปเลยตายวันนี้ก็ได้เดี๋ยวค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูเคยบอกพระอาจารย์ว่าหนูเคยแอบไปใส่บาทพระอาจารย์ที่สุโบุรีด้วยเจ้าค่ะประมาณตุลาเจ้าค่ะพาเด็กๆไปแต่ว่าเด็กไม่ตื่นก็เลยแอบไปเที่ยววัดยานอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ ถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปกราบสวนพนาธรรมขอความเมตตาพระอาจารย์อีกทีเจ้าค่ะได้เชิญอ้าไปกราบพระอาจารย์กันเริ่่อสาธุสาธุเจาค่สาธุเจ้าค่ะค่ะสาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะท่านต่อไปคุณอ้อมเชิญอ้อมจากบอวินนามสการค่ะพระอาจารย์เป็งานวันจอนไม่ใส่บาท วันอาทิตย์ก็ไปวันอาทิตย์ไปฟังธรรมด้วยนะคะพระอาจารย์แต่ใส่หน้ากล่าวแล้วก็ไม่ค่อยรู้ใครเป็นใครได้เลยถ้าไม่ทักก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครคืออ่าอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คือก็คือช่วงหนึ่งที่ปฏิบัติก็คืออารมณ์จะลดลงไปแล้วแต่ทีนี้มีวันอาทิตย์มันก็มันก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาอีก หมายถึงแบบเหมือนมีเวลาแบบเหมือนคนทําอะไรให้เราเหมือนเขาแสดงอาการที่เราไม่ค่อยชอบอะค่ะทีเนี้ยเราก็เลยเหมือนมีอารมณ์ขึ้นมาโดยที่เราไม่พูดด้วยทีเ <c oughs> นี้ยมันเกิดจากที่เรามีกําลังของสติกับสมาธิยังไม่ดีพอใช่ไหมคะอาะจารย์ได <s> ้พอสติของเราอ่อนปั๊บกิเลสมันก็ออกมาแพลงเล่นได้ก็ไม่เป็นไรท่านรู้ทันแล้วก็พยายามใช้พุทโธพุทโธพุทโธนึงสติขึ้นมาค่ะ แล้วทีนี้พอดีมาฟังวิดีโอย้อนหลังที่ผ้าจารย์จะชอบพูดยอมหยุดเย็นแล้วก็ไอที่เป็นพวกเกี่ยวกับไตลักษที่ผอาจารย์แสดงธรรมอะค่ะคือถ้าเรามองว่ามันเป็นเหมือนกับเราควบคุมได้คือแต่ว่าสถานาการณ์ตอนนั้นคือเราเราลืมลืมใช่ใช่ใชค่ะก็ไม่เป็นไรเอามาเอามาเป็นการบ้านทําการบ้านเตรมไว้ข่าวหน้าเนี่ยข่าวหน้าต้อเจอข้อสอบ พ <c oughs> ยายามมาทุกอย่างมาเป็นเหมือนดินน้ำนํำลมไฟดินฟ้าอากาศ <c oughs> มันฝนจะตกแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้แดดจะออกแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้คนจะดีจะชั่วแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ปล่อยวก็ทํ า, ทาไปคือจริงๆเหตุการณ์ก็คือ เรื่องเออ่ให้ให้แฟนถ่ายรูปให้แล้วทีเนี้คือเหมือนเขาถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เลยเหมือนร้อนด้วยเขาก็เลยมีอารมณ์แล้วเราก็เหมือนเราก็เลยเห็นเขาพูดเหมือนพูดเหมือนมีอารมณ์แล้วเราก็ไม่ชอบเราก็เลยเหมือนไม่พูดด้วยเราก็เลยเอิงถ้างั้นก็ไม่ต้องถ่ายก็ทีนี้ก็ไม่คุยกันเลยปกติก็คือก็จะพูดด้วยแต่ทีนี้ก็เหมือนเราก็เลยมาคิดเอ๊ะก็ เราก็เรียนกับพระ อ, อาจารย์มาเราต้องเอามาปรับใช้แผเมตอ ต, มตาให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันค่ะแต่ไม่ได้โกรธค่ะพระ อ, อาจารย์แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เรามีอารมณ์ตอนนั้นนะคะจริงๆคือถ้าถ้าเรามีกําลังสติกับสมาธิเอ่อเยอะเราจะอารมณ์เราจะไม่ขึ้นใช่ไหมคะพระ อ, อาจารย์ใช่เราจะเฉยถัดจากว่ารู้ครับพอมีอารมณ์ต้องเรียนใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันค่ะ ถ้าใช้ปัญญาหยุดมันไม่ได้ต้องใช้พุทโธหยุดมันค่ะนใช้สติหยุดมันก่อนค่ะเ อ, อถ้าถ้าเราคิดว่าออ่คิดคําว่ายอมหยุดเย็นขึ้นมาเลยเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เลยไหมคะอาจารย์เองดูสิลองดูอาจจะได้ก็ได้ถ้าเข้าใจคําว่ายอมหยุดเย็นปันญญายอมแพ้เขาจะว่างเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาหยุดไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้าน พอมันหยุดปั๊บมันก็เยน็นใช่เราก็เยน็นหายร้อนอารมณ์ก็ดับไปค่ะเราทดลองดูมันมนตอนที่พูดได้แต่เวลาขึ้นเวทีมวยนี่ไม่รู้คนค น, คนชอบต้องเป็นคนรู้เองว่าจะใช้อะไรดีคือเวลาเผชิญหน้าความเป็นจริงแล้วเราจะมันม<อ>ต่อหน้างานน่ะเราจะจัดการไม่ค่อยได้เลยมันมากระทนรนะระันหันนะคะร่าจะ ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเราน่าจะรับมือมันได้เอราทำว่ายอมหยุดเย็นะอยากไปต้องการอะไรจากเขาปัญหาคือเราไปอยากให้เขาถ่ายรูปให้ดีเพราก็ไม่ถ่ายดีแล้วก็โกรธใช่ไม่ไม่พอใจจริงๆไม่ได้โกรธครับอาจารย์แต่แค่เขาพูดแบบเหมือนมีอารมณ์มันก็เลยทําให้เราเราก็เลยไม่พูดด้วยอั่นก็แสดงว่าโกรธแล้วไม่พูดเลยโกรธแล้วค่ะคือ ถ้าถ้าเราใช้ไตรักด้วยเหมือนมองว่าสิ่งเนี้ยเราควบคุมไม่ได้เหมือนฟ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้<ว> อ, ยไอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือมันเป็นลักษณะของเขาเราต้องออคิดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นนิสัยของเขาเราจะได้ไม่มีอารมณ์เนาะค่ะค่ะโอเคค่ะใส่บาทุกอาทิตย์แต่ว่าบางบางบางครั้งบางอาทิตย์อ่า ไปฟังทำทุกอาทิตย์ค่ะพ่ออาจารย์แต่ว่ า, าไปตักบาทแล้วแต่อาทิตย์ค่ะค่ะที่หน้านก็มาเอางนะค่ะพ่ออาจารย์ ค, ค่ะก็ก็จะฝึกไปเรื่อยๆค่ะพ่ออาจารย์จะได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ให้อยู่ให้ได้ดีค่ะคว า, ามเมอยู่ทีไหนความสำเร็จอยู่นั่นนะค่ะพ่ออาจารย์อดทนจากอดทนจากความทุกได้ด้วยความเพียร น, นะค่ะพ่ออาจารย์เห็นต้องเพียนไปอย่างไปเรื่อยๆ ค่ะอย่าถอยสู้ไม่ถอยต้องตั้งนะบัวท่านบอกสู้ไม่ถอยค่ะพักบ้างก็ได้ถ้าเหนื่อยก็พักได้ถ้าเหนื่อยก็สู้ต่อคือเรายังใหม่ๆอยู่ก็เลยต้องใกล้ชิดพระอาจารย์หน่อยเพราะว่า เ, เราไม่แข็งก็คืออย่างน้อยเราก็ยังได้แบบกำลังใจจากพระอาจารย์ อ, อดีค่ะจะพยายามฝึกให้แข็งแบบนี้ค่ะขอเอ่ขอบคุณค่ะ คุณจีฟเชิญจีบจากนอตจากแมริแลนด์ซิลเวอร์สปริงาบอกอเกเตอบค่ะมีอะไรบ้างวันน okay, okay. ER> ี้อ่วันนี้โยมก็นั่งสมาธิติดกันมาเจ็ดวันแล้วค่ะก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์โยมก็รู้สึกเมื่อคืนนี้นั่งรู้สึกมันเหมือนกับตรงมือมันจะหนักๆช่องมือค่ะอ่ไม่เป็นไรบางทีมันรู้สึกชาหรืออะไรก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจ อ้ลมหายใจมันก็หายไปอันนั้นพระอาจารย์ก็เคยพูดกับกาลยานามิธาอันอื่นไม่ต้องสนใจยมก็ไม่ได้สนใจแต่มันจะมีร่วงที่รู้สึกเหมือนตัวมันจะพองๆแบบก็ไม่ต้องสนใจเหมือนกันก็ไปมันไปแล้วมันก็จะเหมือนตัวเล็กๆแล้วก็อย่างเงี้ยมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจันอันนี้คือมันเป็นกิเลสเหรอคะหลวงพระอาจารย์มันเป็นอาการจิตมันปลูกแต่งขึ้นมาเราครับ ออเจ้าค่ะเพราะความจริงมันก็เหมือนเดิไมไงตัวเรายัางไงมันก็ไม่ถูกมันไม่คนลงไปเลยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะใช้ปัญญาสใช้ปัญญาบอกด้วยว่ามันคนมันเป็นไม่ได้อย่างไรแล้วนั่งสมาธิปุ๊บหน้านกายขดเป็นเป็นมดนี่มันเป็นไป ไ, ปไม่ได้แล้วเ <c oughs> จ้าค่ะโยมก็เอเอปล่อยมันไปปล่อยมันไปนั่งไปเรื่อยๆพอดีแต่พอดีแบบต้องเอารูกนอนนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยเหมือนตันด้วยความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่อยากออก มันก็ยังอยากจะนั่งอยู่ยางนั้นแต่เหมือนเราก็พับมันออกอันนี้มันก็โอเคใช่ไหมคะพระอาจารย์มันไม่ได้แบบแตหักดิบสมาธิของเราใช่ไหมคะมันถ้าเราออกมาแล้วก็ถ้ามันจําเป็นต้องออกก็ออกอืแต่มันก็ไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะสติไม่มีเวลาเราออกมันก็มีสติดีค่อยๆอ อ, ออกแล้วพาเรามีสติแล้วสติมันก็จะพาเราขับเข้าไปใหม่ได้ แล้วพระอาจารย์คะมันมีคําถามว่าถ้าเกิดเวลาเราเนียงอ่ะเราต้องดับปิดมันจะเหมือนว่าเวลาเรานัง่งเราก็จะสึกว่าเราอยากจะเปิดตาสักอย่างให้มันดูสว่างสว่า ง, างทีนี้เราควรแบบปิดมันหมดไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยใช่ไหมคะแค่ดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวใช่ถ้าเปิดตาแล้วจิตมันจะออกข้างนอกมันไม่เข้าข้างในมันจ ะ, ะจะไม่เข้าสมาธิต้องเอามาที่ขาค่ะ ปิดตาแล้วก็ให้จัดดึงจิตเข้าให้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งไว้พูดโธนเรื่องลอหายใจไปค่ะถ้าถ้ามันหายไปทั้งสองอย่างก็ปล่อยมันก็แค่นั่งมองเฉยเฉยถ้ามันว่างจิตนั้นไม่คิดอะไรก็ดูความว่างไปแล้วค่ะแล้วเมื่อวานนิยมก็แบบพอดีว่ามี ด, ดราม่าที่บ้านที่เมืองไทยก็เลยแบบเออมองอารมณ์ตัวเองเออมันก็แวบขึ้นมาเหมือนกันนะคะแบบเหมือนกับเราพูดแทนคุณพ่อคุณแม่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏว่าเอ้าแกเป็นดราม่าซะงั้นละโยมก็เลยแบบเขียนอีกแบบลายตอบกลับไปด้วยความที <laughs> <laughs> ่ม so ันม <out> <the> ีโทสะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังก็คิดได้อุ้ยก็ลบออกก็เลยรู้สึกเออมันยังมีอยู่เนาะถมาเราตัดความรู้สึกแว็บขึ้นมาแล้วควบคุมมันได้ตลอดไปมันก็คงจะดีอค่ะใช่พยายามใช้สติคอยดูจิตใจเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็หยุดมันค่ะ อันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากเจ้าค่ะพระอาจารย์มีประมาณเท่านี้อะค่ะแต่จะพยายามปฏิบัติต่อนะคะได้เห็นไปคุณอนุมาต่อแก้วคุณอนุมาจากุุดรธานีกล่าวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอเป็นยังไงมีอะไรไหมร่วมฟังธรรมเจ้ค่ะภาพข้างหลังเป็นภาพเจดีย์ของวัดตากัน่์เลยสวยใช่เจ้าค่ะถ่ายเองถ่ายเองเจ้าค่ะอาจจะมี ก็จะเริ่มเปิดฉลองเมื่อไหร่หรือเปล่ายังไม่รู้ก็คงจะเป็นอีกสองปีค่ะเพราะว่าคือตกแต่งตกแต่งภายในเจ้าค่ะอืมใช่ค่ะเป็นเจ็ดรับเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยมันเป็นพันล้านที่ไปแล้วเยอะอยู่เจ้าค่ะอค่ะที่เท่ทูลคูบาชาเท่าไหร่ก็เท่ากันนะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็หลวงพ่อสุดามท่านก็เมตตาตอนวันมาค้านปชาท่านก็นําไปเวียนเทียนรอบพิพิธภัณฑ์เจ้าค่ะอื ค่ะโอเคนะไม่มีอะไรก็ไปที่ทตาตัดไปนะคุณยอมจากสวรรณเขตชื่อไม่ออกเป็นภาษาลาวจาไม่ได้ชื่ออะไรธรรมสการ์ธรรอาจารย์ชื่ออะไรนะชื่อตาลค่ะตาลเหร อ, อค่ะมีอะไรไหมวันนี้เขาคือว่ า, ามาส่งกันบ้านก็คืออรถอาหารเย็นอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ ทกวก <จะ S 1> พยายามใช่ค่ะและ้วก็พยายามนั่งนั่งทุกวันประมาณสามสิบนาทีอืมค่ะแล้วเป็นไงนั่งดีไหมนั่งสบายไหมก็ก็ยังยังยังเข้าไม่ถึงความว่างแต่แต่จะมีปิติจะมีปิติอยู่ เหมือนกับมันติดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะพระอาจารย์เราคงจะหยุดพุทโธมันต้องพุทโธไปเรื่อยถ้าเราใช้พุทโธเนีถ้าดูลมก็ต้องดูลมไปเรื่อยๆใหญ่กว่าใช่แล้วก็ดมใช้อะไรหนูใช้พุทโธหนูใช้ลมหายใหนูใช้อะไรพุทโธค่ะพุทโธก็อย่าอยู่พุทโธอย่ไม่จะเกิดปิติแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจ่ะในความรู้สึกว่าเออ่ เหมือนความโกรธหรือว่าความความโลภหรือว่ากิเลสเนี่ยเหมือนตัวใหญ่กว่าสติอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกําลังมากกว่าสติแล้วยังน้อยอยูอ่ก็พยาฝึกสติไปเรื่อยขยันท่องพุโทโธพุโทโธไปเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่เฉพาะเวลานั่งเวลาอื่นก็ท่องพุโทโธไปไ ด, จไ ด, ด้จะได้พุทโธจะได้สติจะได้มีกําลังมากขึ้น พระอาจารย์และเวลา <S <S เวลาจะนั่งสมาธิเนี่ยเราสวดอิตปิโสหรือว่ า, านโมนตสะาสามจบแล้วก็นั่งเลยได้ไหมคะได้ไม่สวดอะไรก็ได้นั่งไปเลยก็ได้ถ้าอยากจะสวดก็ได้ไแล้ววิธีวิธีเดินจงกรมอะ่ะทำยังไงพระาจาก็เหมือนกับนั่งเียแต่ว่าเปลี่ยนร่างกายมาเดินแล้วก็พุโทโธต่อไป อยู่กับพุทโธไปเดินไปแล้วก็เดินกลับก็บพุทโธเดินไปก็พุทโธพุทโธหรือถ้าจะดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะพระอาจารย์มีเท่านี้นะค่ะพระอาจารย์อย่าให้ใจคิดก็แล้วกันครับข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจคิดนะค่ะต้องฝึกสติอีกใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีน้อยอยู่ยังถ้าเรายังมีกิเลสอยู่นี่สติต้องพยายามทาไปให้มากขึ้นมากขึ้น ดูกับสติจัชนะกิเลสนะนะเญนยาหยุดได้ <ขอ S 1> แต่ยังมีความโลภ<อ>หลองอยู่แล้วก็ต้องมีสติแล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องมีปัญญาด้วยนะปัญญาก็ไต่ลักเห็นอะไรก็ว่าเป็นไต่ลักไปไม่ที่ไม่ใช่ของเราปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดห้ามมันไม่ได้นะครับ อ, ขอจาจารย์ okay. ท่านต่อไปคุณ W b r u n s k o l l จากนอร์เวย์ Brunskill ได้ยินหรือเปล่ามาแล้วเป็นยังไงคบายดีเลยกับพระอาจารย์แล้วค่ะสบายดีค่ะ ม, มานั่งฟังค่ะพระอาจารย์ที่นั่งเกียวภาษาตอนนี้นอร์เวย์ตอนนั่งเกียวองศาตอนนี้สี่องศาแล้วค่ะพระอาจารย์เหนื่อยมากนะ อ่าไม่หนาวค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี้ลบสิบห้าเลยค่ะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะอาจารย์ร้อนนะสี่องศาร้อนนะค่ะร้อนแล้วค่ะพี่ลี่ออกมาเดินข้างนอกตาแล้วราหนาวแล้วยี่สิบองศาแล้วร้นแล้วอันนี้สี่องศาค่ะอาจารย์หิมะละลายแล้วค่ะอืมค่ะไม่มีอะไรแค่ความเฉยเฉยนะ เมีมีคําถามด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้เข้ามาฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มามามาเข้ามาทางซูมนะคะคือได้ได้ปฏิบัติบ้างะคะ่ะภายในสามอาทิตย์นี้ที่ไม่ได้มากับอาจารย์นะคะอแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเรามีความสงบขึ้นเดือนเรามีมีสติมากขึ้นนะคะพระอาจารย์เหมือนแบบ เหมือนถ้าถ้ารู้สึกว่าจิตเราเนี่ยไปคิดฟุ้งซ่านเราก็จะดึงกลับมาได้เร็วขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเศร้าขึ้นมาอย่างคิดถึงเรื่องแฟ น, นอะไรเงี้ยเราก็จะดึงกลับมาแป๊บเดียวเราก็จะดึงกลับมาได้เร็วขึ้นต่ได้ว่าสติดีขึ้นสติมากขึ้นแล้วก็แต่ว่ามามีอ่มีเมกิเมื่ อ, เ ม, อเมื่อสามเมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะที่นอเวก็มีการล็อกดาวน์อีก แล้วทีเนี้ยก็ได้ฟังคำพูดของอรัฐมนตรีนะคะหรือว่าที่ที่เทศบาลเขาประกาศล็อกดาวก็เลยแบบก็เขารู้สึกว่ามันมีมันมีคล้ายๆกับว่าเราอิมมอร์ชแลของเราะครับอาจารย์เหมือนเรารู้สึกโศกเศร้าไปกับคำพูดของเขาเพราะว่าเรามี ค, ความคาดหวังว่ามันจะเปิดว่าว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ดีอะค่ะ กับต้องปิดมาอีกรอบนึงแต่ต้องเค่งคัดอีกรอบหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจค่ะอาจารย์แล้วก็เลยมาดูจิตตัวเองว่าอ๋อเราก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นคพระอาจารย์เป็นเพราะว่าเราปฏิบัตินี่เพียงพอหรือเปล่าคะก็สติปัญญาเรายังไม่พอไม่ไม่ทันกิเลสอันนั้นก็เป็นกิเลสอันหนึ่งค่ะความความเศ้าหมองนี้ก็เกิดจากการกิเลสอยากให้ทุกอย่างดีความไม่ดีก็เลยเสียใจ ใช่ค่ะพระาอาจารย์ทางดังที่เรารู้สึกว่าโอเคเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเราก็ปล่อยวางปล่อยวางนะณณจุดหนึ่งค่ะใช่เราคิดเราคิดว่าเราปล่อยวางแต่ความจริงมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยเรื่องทุกอย่างอาจจะปล่อยบางเรื่องแต่พอพ อ, พอมันเจอเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยมันก็เลยทุกมันก็เลยเศร้าใจใช่ค่ะพะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือน เหมือนเหมือนดาวอะค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าโอเคเราแบบเราแบบรู้สึกว่าเราดีขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาเจออะไรที่เราเหมือนเหมือนที่เราไม่ได้คาดหวังก็เลยแบบรู้สึกเออรู้สึกว่าอ๋อเรายังไม่ได้เราไม่ได้มีสติเราไม่ได้ปฏิบัติเพียงพอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใช่เราไม่ได้พิจารณา บ, าบ้างครับยังไม่ได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างพอเรื่องที่เราไม่พิจารณาเกิดขึ้นเราก็ทําใจไม่ได้ค่ะ ก็ก็ทุกเรื่อ ง, ก, อง ก, ก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ทุกอย่างที่เราเห็นนี่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีดีไ ม, ม, ม่ดีต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ค่ะแล้วก็มีมีครั้งหนึ่งที่นอนนอนหลับเพราะว่าด้วยด้วยเรารู้สึกแล้วเราเครียดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจากที่การได้ฟังเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเรานอนหลับแล้วเหมือนแบบ รู้สึกว่าเหมือนตื่นแล้วเหมือนแบบเหมือนตกใจตื่นแล้วก็เหมือนแบบผีอ้ามาหาพระอาจารย์ทีนี้ก็ดึงสติกลับมาแล้วก็จําได้พระอาจารย์ให้ท่องอิติปิโสเพราะหนูจะเป็นตั้งแต่เด็กมาหนูจะแผ่เมตตาใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นท่องพุโทโธพุธโทโธแล้วก็อิติปิโสก็สวดไปเรื่อยๆเพราะว่าในจิตใต้สํานึกของเราะค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเราไม่มีสติ เราถึงได้เห็นแค่ภาพภาพอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยแบบท่องไปจนหลับค่ะหับตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้อันนี้มันเป็นจิตใต้สมณิกของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ก็เป็นการฝึกวนอบรมจิตมาพอมีเหตุการณ์ที่มันจะต้องใช้มันก็โผล่กันมาค่ะคือเร า, ามีสติเรามีสติขณะที่เราหลับหรือค้าะอาจารย์ถึงได้หรือว่ามันเป็นมันอาจจะมีสติบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ไม่มากเหมือนกับตอนที่เราตื่น ค่ะเพรนถ้าไม่มีสติเลยเราจะไม่รู้อะไรเราจะหลับสน็จค่ะค่ะอาจารย์ก็ก็ก็ท่องท่องไปเรื่อยๆจนรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ตื่นรู้สึกว่าตัวเองท่องไปเรื่อยๆออจนหลับอคะ่ะจ น, นไปอให้มันหลับให้มันสบายก็ใช่ได้อ ะ, ะ, ะนี้นะค่ะก็ปฏิบัติขอบคุณครับอาจารย์ต่อไป คุณบเซเคุณบเจ็อยู่ที่ไหนกลับนวัตกกรนพระอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> หนูเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลรา ม, มาะคะ่ะอาจารย์ที่รา ม, มาที่กรุงเทพนะใช่ค่ะตอนนี้ยังทํา ง, งานอยู่เลยตอนนี้ยังทํา ง, งานอยู่ค่ะอยู่เวรนวันนี้อ๋อวันนี้ตอนนี้ไม่ได้ทางานแล้วค่ ะ, ะกลับมาที่ห้องแล้วค่ะมีเรื่องค่ะอ่าเชื่อราบไปเลยอะ จริงๆก็จะเล่าว่าเาพิ่งกลับมาปฏิบัตินั่งสมาธิทางวิปัสสนาแล้วก็สมาธากรรมฐานได้ประมาณสามอาทิตย์คือก่อนหน้านี้ก็ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะหลงกับความสุขไปมากค่ะพระอาจารย์จนโชคดีที่แบบเจอเรื่องที่ทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็สติขึ้นมาใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราต่อไปเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็ พยายามที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทีนี้หนูปฏิบัติอะค่ะพระอาจารย์ก็คือหนอูหนูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โดยธรรมดาแล้วเนี่ยสมาธิมันจะค่อนข้างเยอะเกินไปอะค่ะแล้วก็เลยอยากจ ะ, จะเจริญสติค่ะการปฏิบัติก็เลยจะเน้นในการทําวิปัสสนากรรมฐานมากกว่าแต่ว่าไม่ว่าจะ จเจริญนิพพานากรรมฐานกี่ครั้งก็คือตอนแรกเราก็จะรับรู้เ อ, อรับรู้กายของเรานะั่นแหละว่ามันมีเจ็บมีปวดตรงไหนมีความคิดขึ้นมาที่มันควบคุมไม่ได้อย่างไรมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกชอบไม่ชอบเฉยเฉอย่างไรแต่ว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดจิตมันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีภาวะปิติอะไรขึ้นเกิดตามมาแล้วก็มันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งเสมอก็คือ จะรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเริ่มตั้งมั่นอยู่ในสภาวะสภาวะหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสี้ยววินาทีที่แบบจิตจะเหมือนขยายออกแต่ว่าไม่ได้ขยายจนแบบมีขอบเขตไม่ได้มันจะเหมือนมีลักษณะเป็นแบบขอบเขตอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็มีสภาวะแบบปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสภาวะนั้น ก็บางทีก็นั่งจนเลยไปเป็นสองสามชั่วโมงโดยที่แบบ อ, อ, อยู่ในสภาวะนั้นอยู่เงี้ยค่ะเป็นอุเบกขาจิตเป็นสมาธิเป็นอุเบกข า, าจิตจิตว่างจิตเฉยใช่ไมจิตปราศจากอารมณ์ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่มั่นใจว่า มันเป็นทางที่คือหมายถึงว่าปกติเวลาที่ในช่วงแรกๆที่ทํามันจะเห็นเหมือนเห็นว่ามันเป็นมีมีธรรมารมเกิดขึ้นเห็นไตรลักษณ์ของแบบร่างกายเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าพออยู่ในสภาวะนี้มันจะไม่มีทํามารมเกิดขึ้นแล้วอะค่ะอาจารย์หนูก็เลยไม่นแน่ใจว่ามันมันดีไหมดีคือจิตแสดงจิตแล้วปล่อยวางหลังจากที่เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์จิตนก็ปล่อยวาง พอ mm hmm. ปล่อยวางมันก็เข้าสู่ความว่างนิพพานก็คือความว่างสมาธิก็คือความว่างต่างกันตรงที่สมาธิว่างชั่วคราวแต่นิพพานนีิว่างตลอดเวลาแต่รับรู้ทุกอย่างรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ใจว่างใจไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ฉการทําใจว่างแบบนี้ไม่เป็นไรเป็นการซ้อไมไว้ก่อนอนนี้ว่าระดับสมาธิ ต่อไปพอเราใช้ปัญญาวิปัสนาพิจารณาสิ่งต่างๆที่มากระทบปัจจัยพอใจเข้าใ จ, าใจว่าเป็นใรล้างใจก็จะปล่อยใจก็จะว่างั่นทำถูกนะไม่ต้องกลัวสมาธินี้มีประโยชน์มากยามทำให้มันเข้าไปอย่างนั้นบ่อยๆไม่ต้องกลัวมันยากคนส่วนใหญ่เขาเข้ากัน ไ, ไม่ได้เราเข้าได้เราควจะเข้าไปเรื่อยๆ แล้วเวลาออกมาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายลักไปเห็นใครเห็นอะไรก็ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัสตาไปกับเรียนพระอาจารย์มีเรื่องกังวลเรื่องหนึ่งก็คือเคยปฏิบัติจนกระทั่งเหมือนไม่คือเราอะ่ะไม่ไม่ได้ยินไ ม, ไม่ไม่เหมือนไม่ได้ยินคือคือเหตุการณ์ก็คือแบบต้องมีมีคนมาปลุกเราอะค่ะะอาจารย์คือเขาบอกว่าเขาเรียกแบบมีคนหลายคนที่มาเรียกหลายรอบ เราไม่ไ้ <S <S <ต>เราแล้วเราไม่ได้ยินจนเขามาแตะตัวเราอ่ะคะ<ต>่ะเราถเราเรารู้สึกตัวตลอดเวลาตลเวลาตอนตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมั่นใจว่าไม่ได้หลับเพราะว่าสดชื่นมากๆอแล้วคือจริงๆคือหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบจิตของเราอะค่ะอาจารย์มันมันเหมือ น, <S 2> <S 2> <S นต่เป้าข้างในกันมันจิตมันไม่รับรู้เสียงกีฬาแล <S <S <S ก็ไม่รับรู้เรื่องราวต่า ง, างๆก็เรีกเป็นจิตเป็นสมาธิ แต่ต้องมีสติรู้สึกตัวนะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยหายไปหมดทุกอย่างไ ม, ม่มีสติรู้สึกตัวอโอเครู้ว่าจิตมันว่างมันไม่รับรเรื่องอะไร ก, ก็เป็นสมาธิคือหนูกังวลว่าถ้าไม่มีคนมาปลูกหนูในตอนนั้นเนี่ยหนูจะแบบเออออกมาได้เดี๋ยวมีอะไรมากระทบร่างกายหนอนมันก็ออกมาแล้วออไม่ต้องเป็นกลัวหรอกถ้าเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมา ไปกระทบกับร่างกายเีื้อเดี๋ยวนั่งไปนานๆปวดฉี่มันก็ออกมาเองอ๋อค่ะอาจารย์อ๋อถ้างั้นน้างั้นต้องกินน้ําเผื่อเอาไว้เ ม, มนน่อย่าไปกินเลยให้มันนั่งนานๆไม่อยากให้มันนั่งนานๆอย่าไปกินไม่ต้องกลัวหรอกนานได้หลายชั่วโมงยิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีก็ระเป็นการชแช่แบตไปในตัว<ๆ>อืความว่างความสอบนี้จะทําให้จิตเรามีพลังสู้กับกิเลส อันนี้เป็นเพลงเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวร่างกายมันมีปัญหามันต้องให้ทําหน้าที่มันก็จะไปกระตุ้นจิตให้ออกมาเอง mm hmm. อย่างพวกฤาษีก็บางทีเขาเข้าเข้าฌานได้ทีละเจ็ดวันนี้ยเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็ต้องออกมาดูแลร่างกายต่อจะ mm hmm. ไม่เป็นปัญหาอะไรสมาธินี่เป็นของดีมีคุณค่านะแต่ยังสงสัยว่ามันเป็นสมาธิจริงกับเปล่าถ้าสมาธิจริงมันจะชอบเนะี่ยมันมีความสุขนะ มันมีความสุขค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่เขากลัวค่ะว่าแบบเรานั่งนา น, นจะนั่นานเหนนิ้ยเฉยไม่เคยเจอคนนั่งแบบนี้นมาก่อนไม่เป็นไรเราไม่มีอะไรจิตสงบจิตปล่อยวางร่างกายชั่วคราวบอกเข<ห>าค่ะอยู่รามาแผานกไหนล่ะหมออะไรเป็นหมอเอ็กซเรย์ค่ะพยาตาจริงจริงเดี๋ยวอีก อีกประมาณสี่เดือนจะย้ายกลับไปอยู่ที่อุบลแล้วค่ะมาฝึกงานอะไรบ้างมาเรียนเฉพาะลงเฉพาะทางลงไปอีกลึกลงไปอีกค่ะรังสีวิทยานี่เ่รอะใช่ค่ะเป็นรังสีวิทยาแล้วก็เฉพาะทางเรื่องมะเร็งเต้านมจะมีการแบบเจาะชิ้นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอแเดิมที่อยู่ที่อุบลนะเดิมที่อยู่ที่อุบลจ้ะค่ะน่าจะกลับไปที่เดิม ใช่ค่ะจะกลับไปที่เดิโรงพยาบาลจังหวัดหรือว่าที่อำเภอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลจังหวัดค่ะคนไข้เยอะมากค่ะเกิดมานี่มีเรื่องเจ็บเยอะกันทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกคนอาชีพหมอเนี่ก็ดีนะได้ทําบุญด้วยอแล้ช่วยช่วยเหลือชีวิตผู้อนะื่นอย่าไปทําำกับเอกชนก็แล้วกันกนะทำกับเอกชนกนู่น จะหาเงินมากกว่าใช่ค่ะไม่ทำเอกชนเราจะไม่สบายใจเหมือนทำลงบานลัดค่ ะ, ะคทำลัดติกว่าเงินเดือนน้อยแต่เราได้ทำบุญคิดอย่างนี้นะโอเคนะไปค่อยกลับมาติดตามใหม่นะมีทุกประเทีนยนะค่ะเดี๋ยวหนูจะหาโอกาสไปกรนะาบมรสะ ก, การพระอาจารย์นะคะโอเคสาธุจ้ค่ะใครต่อไปเอยคุณสุทัศนเชิคุณสุทัศนคุณสุทัศ น, น์สนกับลูกสาว อยู่นนทบุรีใช่ไหมอยู่ปทุมธานีเจ้าค่ะขอโทษด้วยจำไม่ก็ดีได้เป็นไรเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะมีเรื่องอ่ากังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องงานเจ้าค่ะปกติหนูพักอาศรรยัยอยู่อ่าที่ที่ทํา ง, งานนะคะเ ป, เป็นคลินิคลักษาสศัลย์อาจารย์ค่ะทีนี้หนูอยากทราบว่าถ้าไม่ใช่เวลางานอไม่ใช่เวลาทําการสมมุติว่ามีอ่าคนมากดกดกริ่งที่บ้านนะคะ แล้วเราไม่ออกไปไงค่ะอ่าหนูขาดเมตตาไหมคะอ๋อไม่ขาดหรอกเพราะว่าเราก็ต้องมีเวลาของเราพักผ่อนถ้าเรู้อย่างของเราที่กุติดแล้วก็ติดป้ายไว้เลยขออภัยไม่รับแขกค่ะพอดีเราก็ไม่เราก็ไม่ตอบแล้วก็อยู่ว่าเราไปเฉยๆเพราะถ้าตอบมันมาทั้งวันอ่ะเข้าใจไหมแ้วเราเวลาพักผ่อนได้ที่ไหนล่ะค่ะเจ้าค่ะพอดีไม่ให้สบายใจเจ้วค่ะ นอกจากว่าดูว่ามันเป็นเหตุการณ์เป็นแบบค อ, อขาดบาดตายหรือเปล่าอะไรทำนองนะถ้ามันถึงกับคอขาดบาดตายก็อาจจะอนุโลมผ่อนผันบ้างได้อยู่เป็นกรณีไปค่ะคือเคยเจอเคสน้องหมาโดนยาเบือ่อเจ้าค่ ะ, ะเขามาเรียกตอนดนึกเสร็จแล้วหนูก็รักษาเขาช่วยเขาจนไม่ได้ไม่ได้นอนเลยค่ะจนเกือบถึงเช้า มันก็เลยทำให้เราแบบอีกวันหนึ่งจะทำงานไม่ไหวเจ้าค่ะใช่ถูต้องก็<ช>ต้องต้องแบ่งรับแบ่งสู้ดูกำลังนี้ไปแต่มันมีแต่ที่ปทุมธานีนี่มีคลินิกที่หรือโรงพยาบาลสัตว์ที่เขาเปิด24ชั่วโมงนะคะพรัอรค่ะแต่ว่าราคาจะสูงมากส่วนใหญ่ของฟองหนูที่เปิดเนี่ยก็คือจะเป็นราคาที่ที่เมตตาคะ<ช>่ะพอาจารย์ค่ะ<ช>ค่ะ แต่เราก็ต้องแต่เราก็ต้องมีกําลังของเราเราจะไปรับทุกคนไม่ไหวหรอกเวลาตายไปแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมค่ะเราก็ต้องมีเหตุมีผลเราก็ต้องคอยดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยเพื่อเราจะได้ไปช่วยเขาในเวลาทั้งหลายของเราเวลาพักผ่อนก็ต้องขอพักผ่อนค่ะยกเว้นในกรณีที่มันขอขาดบาดตายจริงๆก็อาจจะยอมเสียชละบ้างพนานทีไม่เป็นไร ถ้าเป็ทุกวันทุกคืนแล้วเราจะเวลาที่ไหนไปนอนไปพักผ่ะนค่ะช่วงนี้อ่าคนไทยหมาแมวเยอะมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะวันนึงถ้านับดีๆก็อาจจะถึงร้อยตัวเลยค่ะออค่ะแลกคนเดียวมันเหนื่อยมากเจ้าค่ะเป็นหมอคนเดียวด้วยค่ะเออก็เลยบางทีมีถ้ามีคนมานอกเวลามันจะรู้สึกว่าเราไม่ไหวเอื่อกี้นี้นไปไว้บอกเลยขอพายนับไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนเจะได้รู้ คือของเรามันถูกเองค่ะว่าจานขาคือเป็นราคาช่วยเขาก็เลยแห่กันมาด้วยคะ่ะใช่บอกเขียนป้ายไว้เลยบอกเห็นใจหมอหน่อยสิหมอก็ต้องพักผ่อนด้วยกันถ้าหมอตายไปก็ไม่ก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยนะอเขาจะได้รู้แม้ถ้าเรามีเหตุผลไม่เป็นไรถึงแม้ไม่เมตตามันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราถ้าเราบอกให้เมตตาตัวเราก่อนค่ไอเมตตาคนอื่นยังทั้งลืมเมตตาตัวเองเหนืตอตัวเองก็ ต, ออกตายแล้วไหน ค่ะเจ้าค่ะจริงด้วยเจ้าค่ะค่ะ <R> แล้วก็มีอีกคําถามนึงเจ้าค่ะอาจารย์ขาช่วงมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูสวดมนต์เจ้าค่ะอสวดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยู่ดีๆมันเกิดความสุขขึ้นมาอย่างมากเลยเจ้าค่ะอออย่างนี้เขาเรียกว่าความจิตเริ่มสงบ <S <S จิตพอจิตสงบก็เกิดปิติเกิดเกิดสุ ข, ขขึ้นมา <S 2> <S 2> แต่ยังไม่รวมยังไม่เป็นสมาธิเต็มที่อยู่ขั้นปิติสุขอยู่ยังไม่ขั้นไม่ถึขงขัน้นอุเบกขา จ้ะค่ะปรจันภัก็ีเสวดไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะนั่งสมาธิต่อได้ก็ดูนั่งดูลงไปก็ได้มหยุดสวดแล้วก็ดูลงต่อไปก็ได้อาจจะเข้าไปด้วยกว่านั้นก็ได้ค่ะนะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะวันนี้โอเคสหายทิวหููชื่ออะไรอ้าฟ้าค่ะหนูดันั้นอ้าวฟ้าเหรอยืดทองฟ้าค่ะอ้าวฟ้าอ่าค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเจ้าท่านถามว่าเรียนอยู่ชั้นไหนบ้า ปสามค่ะปสามโตก็อยากจะเป็นอะไรเป็นหมอเหมือนแม่ไหมเป็นหมอเหมือนแม่ค่ะเออดีนะจะได้ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยคนนะ อ, อ่ดีเก่งมากสาธุนะขอบขอบขอบคุณอาจารย์มากจ้าค่ะเอเคท่านต่อไปคุณท่วา่าที่วา่าเชิญมีอะไรไหมอาจระ์เจ้าข่าวอาจารย์ไม่มีเหมือนเดิมสักหนาอยู่ที่ไหนนะจําไม่ได้ที่กรุงเทพเจ้าข่าวอา ลองอย่างเดียวนะโอเค okay, ได้เห็นท่านต่อไปคุณน้อง iPhone 8บวกเชิญคุณน้องมัมียังไม่มีใครอ่ า, อ า, อาสวัสดีค่ะกลับนมัสการค่ ะ, ะ อ, ยอยู่ที่ไหนอยู่บางแสนค่ะบางแสนเรียน <ừ> ที่ ที่มหาอะไรรึเปล่าอ๋อหนูหนูมีลูกแล้วค่ะอมูอออหนูเพิ่งไปกล่าผ้าอาจาร์เมื่อวันศุกร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้แล้เพิใส่หน้ากาศอ้าวใช่ค่ะก็หนูฝึกของผ้าอาจาร์ตั้งแต่เริ่มไร้สดก็ตอนแรกก็เริ่มฟังก่อนนะคะ แล้วก็เริ่มเข้าสมาธิบ้างแต่พอในระยะหนึ่งปีครบหนึ่งปีพอดีเลยค่ะที่แบบปฏิบัติทุกวันค่ะเออดีตอนนี้ก็<ม>การปฏิบัติก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะ<ม>แต่ที่หนูสงสัยมีอยู่สองข้อค่ะ<ม>ว่าพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะ<ม>เอออย่างสมมติว่ามันมีคนที่แบบอารมณ์ เสียหรืออรมไม่ดีมากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเกิดแบบมันตัดพุบเข้าไปอยู่กับความนิ่งความสงบมันเหมันเหมือนมันมีอยู่สามตัวค่ะผ้อาวุย์ตัวหนึ่งคือมันนิ่งมันรับสิ่งสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งถูกรู้ไปอะค่ะแล้วส่วนร่างกายที่เราทำงานเคลื่อนไหวอยู่มันก็รู้ตัวเคลื่อนไหวตรงนี้ด้วยค่ะ ได้เรี้ยวเบรขาจิตปล่อยวางแล้วคือพอเขายิ่งกระทบเรามันก็ยิ่งนิ่งนิ่งสงบไปแล้วเรากับไม่โกรธไม่อะไรเขาเลยอะค่ะถูกต้องนั่นแหละคือการปฏิบัติต้องการให้ไปถึงจุดนั้นให้จิตเราเป็นกลางเป็นไม่รักชังกลัวหลงใช่ค่ะเฉยเฉเรียกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามาหาเรื่องหนูหนูก็ ตอบโต้ทันทีหนูก็ตอบโต้กลันบตนตาต่อตาใช่ค่ะแต่แตนี่คือมันนิ่งไปเลยอะค่ะน่นะจิตเป็นสมาธิจิตไปดูเบร ค, ค้าจะเป็นอย่างังนะแล้วก็พอในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าหนูเคยแบบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปช่วงหวัวค่ำแถวบางแสนแล้วมันมีผับมีอะไรเปิดที่เสียงที่มันอึกกระทึกอะค่ะอืมมันก็ตัดเข้าไปแบบนี้เหมือนกันค่ะอ่าไม่สนใจดีคือ เราขับรถอยู่เราก็รู้ว่าเราขับรถมีสติ อ, อยู่นะคะเออแต่ข้างในมันก็เข้าไปสงบนิ่งเลยอ่ะค่ะออดีใจว่างใจเย็นใจสบายถูกต้องพยายามรักษาใจแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่อไปน่าจะเจอร่างกายเหตุการณ์ของร่างกายเราก็ต้องเฉยแบบนี้ เ, ออเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็ ก็ต้องทำใจให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้แล้วมันจะไดไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายมันจะตัดข้อความเฉยหรือความเป็นกลางเองอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะก็อยู่ที่เรารักษามันไว้หรือเปล่าแล้วต้องปฏิบัติเรื่อยๆถ้าเราอยู่ปฏิบัติมันก็าอาจจะหายไปได้เพราะเรายังไม่ได้อยู่ที่ขั้นปัญญาเราอยู่ที่ขั้นสติใช่ไห ม, มใช่สติแล้วนั่งสมาธิแต่ถ้าเราอยู่ขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่หาย ถ้าเราต่างใจก็เล้ว่าเพราะเราเห็นทุก อ, อย่างเป็นตายรักเนี่มันก็จะไม่เห็เราเรื่องกันรักคะ่ะลองพิจารณาตายักต่อไปจ ะ, <อ> จ, ะจะได้มันจะได้มันจะได้ปล่อยวางอย่างถาวรโอจะพิจารณาเรร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่อ๋อค่ะก็จะมีอีกข้อหนึ่งที่สงสัยคือเรื่องการรักษาศีล น, นะคะ หนูรักษาสิ่งห้านะคะแต่ว่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้คือมันจะไม่ไม่ไปนอนที่นอนแข็งแข็งแล้วอะคะ่ะแล้วก็<ำ>แล้วก็อาหารนี่ปกติจะทานเยอะแล้วมันจะกลับเข้าไปแบบทานมื้อเดียวอะไรอย่างนี้แล้วอะคะ่ะก็มันไม่หิวถ้าใจมันอีกมันก็จะไม่หิวใช่ค่ะแล้วก็ ปกติเป็นคนชอบแต่งตัวรักสวยรักงามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เ, เดี๋ยวนี้ใช่ใชค่ะ เ, เดี๋ยวนี้หเหมือนพวกกลิ่นน้ําหอมโลชั่นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันเหม็นไปเลยอ่ะค่ะอมันเหมือนมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ของธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยค่ะอมันหลุดออกไปเองค่ะใช่ <laughs> <laughs> จิตมันไม่มีความยินดีกับเรื่องเสียงกลิ่นหรือทำอะไร ค่ะนี่คือการมาฉันทานลดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติธรรมดีๆนะรูปเสียงกลิ่นล้นี้มันจะเบาบางลงไปค่ะมันอยู่แบบมันจะอยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องทําผมไม่ต้องทาคิว้วทาปากทาหน้าไม่ต้องไปทําผิวอะไรต่างๆอ๋อใช่ค่ะหนู ก, ก็งงว่าเอ๊ะมันลดไปเองเลยทั้ทงๆ ท, ที่เราแบบ ก่อนหน้านี้คือเราชอบมากนะคะยาให้มันสุดโต่งแล้วกานเดี๋ยวไม่อาบหน้าไม่อะไรอ๋อไม่ถึงขั้นนะเออไม่ต้องถึงขั้นนอกันต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายก็ต้องทำไว้นะผมพาวิผมพาวีได้ไม่เป็นไรอ๋อถ้าแบบนี้คือดูแลอยู่ค่ะต่อไปจะตัดผมไม่สั้นลงไม่ได้ต่อไปอาจจะลาคาญเรืล็กผมยาวก็อาจจะทให้มันสั้นก็ได้ มีรลคาญผมบ้างคะ่ะแต่ว่านะคืออยากจะดูผลจากการปฏิบัติก็ดูที่ผมเนี่ยถ้าผมยาวหรือผมสั้นถ้าผมมันสั้นลงไม่ได้เรื่อยแสดงว่ามันได้ผลปฏิบัติคลืบหน้าก้าวหน้าหรืง อ, อาจจะโกหนหัวเลยก็ได้อันนี้ออกไปออกไปครึ่งนึงก่อนคะ่ะ เดี๋ยววันสัปดารถที่เดี๋ยวเข้าไปกราบใหม่คะ่ะได้เชิญพอไปนั่งตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบสว่างแล้วมันเบาสบาย<ะ>มันแบบเหมือน<ะ>มันปล่อยได้เลยอ ะ, ะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ลองถามญาติโยมตั้งแต่ย้ายลงมาแสดงทรรข้างล่างนี้สถานที่พอใช้ได้ไั้มสถานที่สะดวกสบายดีนะคะ พอฟังได้นะอําปยะดีค่ะไม่เมื่อก่อนยีนบนเข่ามันจะสงบกว่าแต่ข้างล่างทีนี้มันจะเป็นต้องมาข้างล่างก็เลย ต, ตอนที่นนหนูหนั่งหนูรู้สึกได้ว่าพอไปนั่งปุ๊บมันก็เข้าสมาธิไปมันก็นิ่งไปเลยอะค่ะเออดีจนกระทั่งช่วงที่พ้าจารย์เทศจบแล้วยังไม่อยากออกเลยอะค่ะเออดีดีดสแสดงว่ามีสติดีนะ พยายามปฏิบัติไปเรื่อยโหมดปฏิบัติทุกวันวันละกี่ชั่วโมง่หนูก็จะครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งก็วันหนึ่งก็ประมาณสี่ถึงหกรอบค่ะโอ้เยอะเหมือนกันไม่ต้องทํางานนะอ๋อหนูอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะค่ะเป็นแม่บ้านนะใช่ค่ะก็เช้าส่งลูกเสร็จก็ปฏิบัติดีก็ช่วงไหนที่ว่างก็ใจว่างๆแบบว่า คือในถ้าในใจมันพร้อมก็นั่งปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดีในขณะที่อย่าไปทํอาทอย่างอื่นถ้ า, าไม่จําเป็นเรื่องถ้าไม่จําเป็นอย่าไปทํามาปฏิบัติตามนี้มามันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกไปไหนแล้วอะค่ะใจมันไม่อยากออกมันขี้เกียจคุยไปแล้วอะค่ะเออนียิ่งช่วงโควิดด้วยนะี้ยังไม่มีเหตุผลที่อยาออกด้วยนะอ๋อค่ะเป็นช่วงที่ได้ปฏิบัติเต็มที่ เ, ออเลยคะ่ะเออดี แล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเวลาหลับอ่ะค่ะอืบางทีรู้สึกตัวขึ้นมามันก็อยู่ในสมาธิค่ะบางทีก็รู้ตัวว่าหลับอแต่บางทีก็รู้ว่าอยู่ในสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ดีใช้ได้ทำไปเรื่อยๆรักษาไว้อย่าให้มันหดอย่าให้มันถอยนทําให้มันเพิ่มมากขึ้นไปนะค่ะกบขอบคุณค่ะสาธุค่ะ คุณจอยเชิญคุณจอยอยู่ที่ไหนที่มีรูปแค่ไม่ที่ใส่บาตรมาใส่บาตรบ้านอำเภอใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะเปลี่ยนมุมอะไดูจำไม่ได้เพิ่งอาบน้ําเสร็จหัวน้องหัว เ, เด็กนอนแล้วเหรอไม่นอนคือเขาออกไปเล่นข้างนอกกันต้องอมามากจริงจริงคือจะถามค่ะเมื่อไม่กี่วันอ่ะเขาถามว่าแม่เขาบอกว่าไปโรงเรียนแล้วเหมือนกับ นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตายแล้วดับนรกสว่างไม่มีตายแล้วก็คือศูนย์แต่เราอจะอธิบายแต่เราไม่รู้เราจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจอะ่ะเอบอกว่าคนนตาบ อ, อาเดเนี่ยหัวหนุ่มเราจะพูดไปคว่างๆเหมือนเขายังรับไม่ได้เราก็เลยแบบนักวิทยาศาสตร์เรก็เลยเบอกว่าเราถามว่าเราคนทุกไหมคนทุกอบอกเขาว่านักวิทยาศาสตร์เห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นร e ่างกายแต่ไ <nước> ม่เ <Tonight> ห็นใจไม่ร <c oughs> ู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันเพราะว่าร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตายใจไปไปสวรรค์ไปนรกตามบุญตามบาปที่ทำไว้หลังจากใช้บุญใช้บาปเสร็จก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็พยายามบอกกับเขาอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจนะเขากาไม่รู้เลยก็บอกเขาไปนั้น เพราะว่านักวิยาศาสตร์นี่ไม่รู้เรื่องไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุจ้านี่ดูเรื่องก็เลยถามเขาว่าแล้วเวลาที่เรามีความทุกข์เราทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์กันนั่นแหละมันก็คือเราจะหาทางยังไงที่มันมันไ ม, ไม่ไม่อยากจะทุกข์อะค่ะเอแต่เขาก็ยังมันไม่คนเป็นไปมันยังเด้วอเกินจะเป็นรับเด็กใช่ค่ะมันยังยดืง้อไเป็นไรก็บอกเขาว่าแล้อกว่าก็เลยแต่ว่าดีอย่างนึงคือพาเขาไปใส่บาตรคือเขาเต็มใจไปถ้าไปใส่บาตร พระอาจารย์คือเขาแบบเขาอยากไปกันเขาก็ลุกกันทุกค น, นะคะอ่ะเออดีให้เขาทำบุญทำทานรักษาศีลไปก่อนนะะส่วนตวนี้ก็ต้องให้คายโต้ขึ้นมาน่อยก่อนถึงเอยากค่ะคส่วนตัวแม่ก็ปฏิบัติตลอดเวลาะคะ่ะเออดีแล้วยังทํา ง, งานอยู่ป่ะทําค่ะทําอยู่ที่เดิมนะคะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ไปใส่บาตรเหมือนเดิมวะค่ะได้โอเคแล้วเห็นเจอกันวันเสาร์นะฮะ ค่ะโอเคอ่าคายอ่าคุณสุภัตตาเชิญจาก Dallas, Texas กลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสมูทตีได้กินนี่ได้กินสมูทตีีไม่ได้กินนะอยู่ไรอันที่จะนั่นอีกเป็นเดือนจบเป็นเดือนเลยเป็นเดือนกำลังเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สงสัยอีกต้องเพิ่มอีกเดือนนู้นไปยาวอ่ะครึ่งปีเจ้าค่ะ แสดงว่าศพตกศพตกเจ้าค่ะก็เลยแบบครึ่งปีคือคือเขารู้สึกเขาเขาน้อยใจอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกแบบลูกเงียบเกินไปลูกก็เลยนึกถึงคําสอนของของพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกให้ลูกมีแม่ตามมากขึ้นอย่าภาวนาอย่างเดียวอย่าเลื่อยยิ้มด้วยลืมยิ้มให้เขาเจ้าค่ะวมื่อวันเสาร์ที่แล้วเขาก็เลยเสียใจ ปปก็ ไ, <ห>ไปพูดกับเขานี่ดีได้嘛 I forgot to smile ก็ <laughs> เลยบอกเขาเจ้าค่ะบอกว่าพอดีหัน่นแอปเปิลปอกแอปเปิลอยู่แล้วแล้วกลัวมีดบาดอีกเหมือนครั้งที่แล้วก็เลยโฟกัสมากไปหน่อยขอโทษทีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็โอ้ยขำตัวเองอีกนานเจ้าค่ะคงครึ่งปี <laughs> มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเจ้าค่ะคือตอนนี้ที่เท็กซัสนะค่ะซึ่งเขาเออ เพิ่งประกาศว่าพุธหน้าเนี้ยจะเอ่อจะยกเลิกกฎของการสวมหน้ากากเจ้าค่ะออ แ, แล้วก็เรื่องของไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมาห้ามเนี่ถ้าอยากสวมแล้วก็สมวมของเราไปคือเมื่อก่อนเขาเขาเขาตั้งกฎไว้เจ้าค่ะ <_ S 1> <_ S 2> แต่ตอนนี้เขาเขาประกาศแล้วเขายกเลิกเจ้าค่ะก็คือจะไม่มีสวมหน้ากากจะไม่ต้องโซเชียลดิชเชนซิ่งแล้วอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ออให้ธุรกิจเปิดได้ร้อยเปอร์เซนค่ะเริ่มพุธนี้เดี๋ยวเดีกๆมันก็จะรู้เอรคเดๆอเนี่ย เดินไม่ฟังหมอเนี่ยพวกนี้เดีค่ะเพึ่งผ่านพายุหิมะนี่ก็มารอบใหม่ก็เลยบอกกันบอกกับสามีว่าดีแล้วล่ะเราจะได้ไม่ต้องไปไหนสงสัยปฏิบัติทางธรรคงก้าวหน้าเพราะโควิดนี่แหละเค่ะใช่ตรนักันเมือยเาจะเอาจะเอาเอาเอ า, เอาใจพวกธุรกิจพวกอะไรต่ตางๆเขาไม่สนใจชีวิตของคนที่รู้ไม่ดนี่ เออแล้วค่ะก็ดีดีค่ะลูกก็เลยแบบว่าอ้าก็ดีอะไรก็ดีอาจจะได้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทําอะไรก็มุ่งปฏิบัติอย่างเดียวเจ้าค่ะแต่ถ้าเราถ้าเราออกไปแล้วเราเราจะใส่สวมหน้ากากเขาก็ไม่ห้ามใช่ไหยใช่ไหมช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็สวมมาเราเพื่อความปลอดภัยเราไปเจ้าค่ะ แต่ก็เขาก็ไม่ค่อยชอบสวมกันอยู่แล้วแต่พอมันมีกฎมาบังคับเขาก็เขาก็สวมกันแต่ทีนี้พอประกาศยกเลิกคงจะปาร์ตี้กันหน้าดูเจ้าคะา่ะก็ก็สนุกกลัวเขาจะมาเล่นงานพวกที่สนห น, ออน้ากากค่ะโอยทีนี้ไม่ก็ลูกปฏิบัติตอนเนื่องอะเจ้าค่ะก็ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมก็พยายามเอ่อจะพยายามฝึกเมตตาให้มากขึ้นจะยิ้มให้มากขึ้นนะเจ้าคะา่ะใช่วล้เจอใครต้องเมตตามาก่อน ไม่คิดว่าเขาจะเศร้าขนาดนั้นก็บอกว่ายูเฉยเกินไปแล้วจะบอกไม่ได้ว่โอ้ยตายตายตายเราก็ลืมไปมัวแต่มัวแต่มัวจ้องอย่างเดียวแอแต่ เจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกยิ้มขึ้นฝึกเมตตาขึ้นแล้วก็ภาวนาได้เรื่อยมากๆข้นเจ้าค่ะจะได้กินฉีดวัตซีนทันทีนะ <laughs> จะได้กินสีเ <laughs> จ, จ้าะรอมันอ่ะนะจังน <sh arp> ี้เราเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณเจคะคุณประวีชีดวัคซีแล้วใช่ั้มคุณประวีมีอาการอะไรไหมกราบุญกันครับคิดแล้วครับผมฉีดเมื่อวานนี้ตอนเช้าครับเออนี่ก็ ได้พอดียีิบสี่ชั่วโมงครับไม่มีอาการครับผมไม่ปวดกล้ามเนื้อไม่มีไข้เลยนะไ ม, มีนิดหนหลังจากฉีดมาชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปออกกําลังกายแบบตีเทนนิสกับเหมือนกับตีพิก บ, บอลครับ<อ>เหมือนกับเทนนิส<อ>กับแบดมินตันนะครับ<อ>เล่นไปสองชั่วโมงทําให้แขนที่ฉีดข้างขวามันได้ออกกำลังกายสองชั่วโมงแล้วก็<อ>ไม่มีผลอะไรครับเหมือนกับฉีดยากแก้วัดธรรมดาครับผมอ่ดีแล้วนี้มันจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันเลยหรือเปล่าแล้วว่าต้องรอกี่วัน เขาบอเข็มแรกก็เข็มแรกก็มีภูมิคุ้มกันถึงแปดสิบปอร์ซ็นตแล้วนะครับใช่หมถึงทันทีเลยหรือเปล่าพอฉีดปุ่มนี่มันถ้าผมว่าประมาณทักยี่สิบสี่ชั่วโมงผมว่าภูมิมันก็จะเข้าไปทั่วร่างกายครับผมเขาไม่ได้บอกว่านี่ก็เข็มที่สองมันก็ตอนนี้ก็เรียกว่าร้อยเอร์เซ็นที่ผมฉีดเข้าไปแล้วก็ใจก็สบายขึ้นครับแล้วตอนนี้นี่ยาใหม่มาแลเข็มีสองเลยครับเข็มที่สองเลยนะ เข็มที่สองฉีดเรียบร้อยเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เขามียาใหม่ของจอร์นันจอสันมาแล้วครับฉีดเข็มเดียวเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมารอเข็มสองครับผมแล้วก็ตอนนี้ยามีจำนวนมากครับผมว่าที่รัฐบาลของเท็กซัสเขาจะอนุมัติว่าให้ช่วยกิจการบิสเนตได้ก็ก็อาจจะเป็นจริงครับเพราะว่าคนฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็การปฏิบัติที่ว่า ทำคล้ายประเทศไทยคืออยู่ห่างใส่หน้ากากเวลาไปร้านอาหารไปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ก็จะเห็นเกือบ 99. 99.99 ครับว่าใส่หน้ากากใส่แมสกไปซื้ออาหารกันเขาก็ทํามาด้วยดีมาหลายเดือนครับอันนี้ก็อย่ายกเลิกนะเพราะว่เาเราไม่ได้ฉีด<ม>รับสีผมไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับโกัวเนอร์แต่ว่าเขาใหญ่กว่าเราก็แต่ว่าผมว่า ยังควรจะใส่หน้ากากสาหรับเด็กนักเรียนหรือใส่ในสถานที่ราชการหรือร้านาหารที่ใหญ่ๆแบบพวกวอมากทอมทอมอะไรพวกนี้ควรจะใส่หน้ากากเข้าไปซื้อถ้าไม่ใส่ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นรอบสามได้ครับผมสำหรับคนที่ฉีดนี่ก็ว่ามีสิทธิ์ที่จะแพร่เชื้อได้น้ถึงตัวเองรับเชือ้อตัวเองไม่เป็นแต่ตัวเองอาจจะมีเชื้อไปแพร่คนอื่นได้จากที่อาจจาก หมอต่างๆแล้วก็ประวัติต่างๆที่เขาเขียนลงไว้นะครับว่า <Ừ. S 2> เรามีภูมิต้านทานจริงเราอาจจะไม่ส่งเชื้อคนอื่นแต่ว่าเรามีสิเสี่ยงป่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านน ม, มีโอกาสน้อยมาก อ, อันนี้อันนี้ผมมาขอถามข้อหนึ่งครับคุณพ่อว่าการปฏิบัติทำในเรื่องตั้งแต่อากาศที่หนาวเย็นมาแล้วก็โควิดมานี่ก็เราก็ได้อยู่จําสินที่บ้านมาเกือบหลายเดือนครับก็ มีข้อถามข้อหนึ่งของพระอาจารย์หลพ่อเมื่อวานนี้ไอ้เมื่อทิตที่แล้วครับที่อาจารย์วงพ่อพูดว่าสังโยชน์สังโยชน์สองคือไอ้พวกราคะอะไรต่างๆเนี่ยรคที่เราทําเราดูอัศวะแต่ว่าสังโยชน์สามเนี่ยครับที่พระอาจารย์หลวงพ่อพูดว่าเป็นของพระอนาคานามีเนี่ยครับยังไม่เข้าใจคํานี้ครับอคือพระอนาคามีนี่ก็มีอีกสังโยชน์อีกสองข้อ คือพระสโสดาวันนี่ท่านละสามข้อแรกได้คือส ก, กายาทิฏฐิวิจิกิจเฉาความลังเลยสงสัยและศีลปฏตปรามาต์กความลูปคำในศีลท่านละได้พ<ม>อาจากานั้นท่านจะขึ้นไปขั้นที่ขั้นที่สองท่านต้องท่านต้องว่าตัดการมาราคา<ม><ม>การมราคากับปฏิฆามันมาเป็นคู่กันการมาราคากับความบงเหง็ดใจ เวลาเกิดการมารมณ์มันจะมีความหงุดหงิดมาก็ต้องพิจารณาอสุภะอสุภะขั้นที่สองนี้นนขั้นที่สองนี่พิจารณาได้ประมาณครึ่งทางคือก็สามารถทำให้เบาบางลงแต่ไม่ไม่หมดก็ได้ได้บรรลุขั้นที่สองขั้นที่สองนี้ทำให้เบาบางลงแต่ไม่หมดต้องไปขั้นที่สามคือพิจารณาตลอดเวลาจนกระทั่งการมารคะไม่มีโอกาสที่จะผลขึ้นมาได้ ก็เป็นพระอนาคามีไปครัตติสานแต่โอเคครับอันนี้คันนีไ้ได้ได้สว่างเพราะว่าเมื่อที่ที่แล้วหลวงพ่อพูดเสร็จแล้วหยุดหยุดไปหรือว่าเทเป็นสั้นไปครับสองนาทีเองเดี๋ยวไม่เขา้าเอ๊ยยังไม่ยังไม่จบเลยทำไมหลวงพ่อหยุดแล้วเรายังไม่เข้าใจพองคือบางทีมันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาในใจเราลืมไปเลยพูดเรื่องอื่นต่ออแต่หลังจากนั้นยังก็มีค่า สังโยชน์เอกห้าข้อเพื่อจะได้เป็นพาาระอรหันต์อยากว่านากรรมีนี้ขั้นที่สามก็ต้องไปละสังโยชน์เอกห้าข้อด้วยกันสังโยชน์ที่ต้องละก็คือเนี่ยอรูป ร, ราคะอรูป ร, ราคะนี่คือความยินดีในรูปประชานกับอรูปประชานถ้าได้รูปประชานเมื่อรูปประชานก็ต้องอย่าไปยินดีอย่าอย่าไปเข้าอย่าไปติดชานพูดง่ายๆเพราะชานไม่เที่ยงมันก็เหมือนยาเสพติด เวลาได้ฌานก็สุขเวลาไม่ได้ฌานก็จะทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปติดฌานล้วก็ให้ละทิฏฐิการถือตนยังมีความถือตนอยู่ถือว่าเราใหญ่กว่าเขาบ้างเล็กกว่าเขาบ้างเท่ า, ขาเขาบ้างอัน mm hmm. นี่เป็นความคิดนะคิดว่าเราใหญ่กว่าเขาคำยิงเราเหมือนกันทุกคนเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันหมด ยก็ยังมีอยู่ครับไอ้เรื่องเรื่องเรื่องติเรื่องใหญ่นี้ยังมีอยู่ครับแล้วก็เวละอวิชชาคือตัวสุดท้ายก็คือยังไม่เห็นยังไม่เห็นความเห็นทุกทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ยังมีที่ยังไม่เห็นก็มีอยู่ทุกที่เกิดจากความอยากที่จะพ้นทุกนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นสังโยชน์ขึ้นมาได้พอถึงไปตอนนั้นก็ต้องหยุดหยุดอยากพ้นทุกเอามันจะทุกก็ให้อยู่กับทุกไป ก็<ข>ูกับกอยกับไปอยู่กับทุกข์อยู่กับสุขไปแเรามาดีกอ็อ่า น, น, นี่ต้องปฏิบัติทีนี้เข้าใจอันนี้พูดให้ความคร่าวๆจะได้รู้ว่าสั่งโยต์ทั้งหมดมีสิบข้อด้วยกันแบ่เป็นสองส่วนห้าห้าข้อของข้าวอหันห้าข้อแรกนี่เป็นเกี่ยวกับร่างกายร่างกายเราร่างกายคนอื่นส่วนหนะ้าข้อหลังนี่เกี่ยวกับใจของเรา ดีครับคุณพ่อพูดดบ่อยครับจะได้ฝึกฝึกได้ดีขึ้นครับเพราะว่าในช่วงโควิดนี่มีโอกาสได้ทำเยอะครับคือทำบ้านให้เป็นวัดได้ดีมากเลยครับใช่ได้นะดีครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ท่านต่อไปคุณเกสเลนโบจากนอร์ธแคโรไลนาเป็นยังไงวันนี้เอ่งเจ้ถึงได้ยัง เออแล้วเจ้าค่ะเออแล้วเจ้าค่ะยวไม่มีอะไรเจ้าค่ะมาร่วมปังพามเฉดเจ้าค่ะอ่ะทีนี้ลุงลอยู่บ้านหรือเปล่าอ๋ออยู่แค่คนเดียวเจ้าค่ะเขาเอ่อทำงานที่ร้านอาหารไทยเจ้าค่ะอีกคนยังไม่กลับเจ้าค่ะทหารยังไม่กลับนะทหารยังไม่กลับนางบอกว่านางอาจจะโดนส่งตัวไปอิรักโดนอะไรก็เลยเคยไปหรือยังยังไม่เคยไปค่ะแต่นางนางไม่ทราบแม่เจ้าค่ะ เป็นหางก็ต้องทำหน้าที่แวส่งไปไหนก็ต้องไปนะเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะจะได้ท่านตอบไปได้โอเคเอาพวกใบหยกภูผาบุกไหมพร้อมหรือยังเด็กสามคนเตรียมตัวไปต่างประเทศแล้วเนี่ครับนมันการค่ะลงมาเร็ว วันนี้เด็กๆมีติวสอบก็เลยหนูมานั่งนั่งฟังมาแค่ะากาศก่อลกกับก่ลับไปเชิญลูกมามากลับแล้วกลับไปที่พื้นทีืมีอะไรหมมีอะไรไหมลูกกลับดวงตาอ้าวผูพายังไม่มาเลยผู้พายผู้พายทำอะไรอยู่ลูก ก็ไม่รู้ผูา้ายไปตามผู้ขายให้มาหน่อยด่ดเลยนะเพราะการขายโยมเอ่อคือเมื่อตอนวันนี้ค่ะไปทำงานที่ออฟฟิศอะโยมไม่ไแน่ต่ว่ายอมบาปไหมอะคือมีเอ่อเป็นเอ่อคนงานเก่าคนหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนลูกเล็กๆอะโยมเคยเรียกตามศูนย์ที่เขาส่งพี่เลี้ยงมาให้เมื่อประมาณ เจ็ดปีแปดปีที่แล้วนะคะแล้วศูนย์ส่งมาแล้วยมไม่รับเขาเพราะว่าเขาวาตาเขาเลยเละเคแล้วทีนี้แบบทางบ้านสามีโยมมาเขาเป็นคนจีนเขาจะถือใช่ไหมคะโยมก็เลยส่งเขากลับทางศูนย์แต่าพี่สาวโย ม, มบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ถือฉันเคนไทยฉันรับเขาทํางานพี่เขาก็เลยทํางานกับพี่สาวอยู่ประมาณสามปีแล้วเขาก็ออกจากพี่สาวไปเนะะี่ยค่ะแล้ววันนี้เขากลับมาแบบสภาพเหมือนคนไม่สมประกอบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนน่า ก, กลัวแล้ว โยมก็รู้สึกสงสารเมตตาเขาก็เลยว่าถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดพูดไปร้องไห้ไปเหมือนคนเสียสติบอกว่าเขาเอาพูดจริงๆนะเขาบอกว่าเขาวะหนีออกมาจากสถานบัมบัดหรือว่าสถานสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วโยมก็เลยคิดว่าสงสารเพราะว่ายมคือโยมก็ทำอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะโยมก็เลยคิดว่ามันก็มีห้องว่างอยู่งั้นจะให้เขาพักอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาเหมือนกับให้ข้าวให้อาหารเขาแต่เขาบอกเขาอยากทํางาน โยมก็ดูลักษณะเขาเหมือนเขาไม่พร้อมเนี้ยค่ะแล้วทีนี้พอโยมรับเขาเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าลูกน้องก็มาคุยกันในออฟฟิศเขาลูกน้องคนอื่นๆเขาบอกเขาเขากลัวเขาขอให้โยมไม่ต้องรับไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะโยมแล้วโยมก็ปรึกษากับอ่าสามีสามีก็บอกว่าเราถ้างั้นนะเราให้เงินเขาไปแล้วก็แนะนําว่า ให้เขากลับไปอยู่สถานที่บําบัดเพราะว่ามันอ่าเขาน่าจะยังไม่หายดีแต่ตัวเจ้าตั ว, ต ว, ต ว, ขวเขาว่าเขาร้องไห้เขาไม่อยากกลับไปเนยค่ะแล้วโยมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะโยมลําบากใจเพราะว่าลูกน้องในออฟฟิศทุกคนกลัวกันเนี้ยค่ะผู้พากลาลูกน้องทุกคนเพราะวกลัวกันเนี้ยค่ะโยมก็เลยโ ย, ย, ย, ยมก็เลยโ ย, ยมก็เลยอเอาเงินให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่อยากขับตายโยมแนะนําเขาว่างั้นก็ให้ไปวัดไปหาหลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ใกล้ๆเอาใกล้ๆบริษัทโยมมามีวัดใช่ไหมคะโยมก็บอกให้เขาไปอยู่วัดไปถือศีลไปสวดมนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้ดีขึ้นปรากฏว่าเขาเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ไปแบบเหมือนเขาไม่เต็มใจเงี้ยโยมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะคะ่ะก็มันนัองเสื่อมวิสัยไปที่มาเพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะรับเขาไว้ได้รับไว้เดี๋ยวก็มีปัญหากับคนเหนื่อยคนเดีื่อคนเหนื่อยก็หนีไปหมดเนี่ย ค่ะเขาก็พูดกันอย่างนั้นนะคะแต่ว่าต้องต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาเท่ากั้นเราก็อยากจะเมตตาแต่มันก็บางทีก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาไปทําใจว่ามันเป็นกรรมของเขาแล้วก็ช่วยดีที่สุดแล้วให้เงินเข้าไปแล้วอะไรแล้วให้เข้าไปที่ต่อไปค่ะระยมให้เงินเขาแลระยมแนะนําให้เขาไปที่วัดเสร็จแล้วเห็นโยมกลับมาบ้านแล้วก็เห็นลูกน้องโทรมาบอกว่าเขากลับมาที่ ที่บริษัทอีกเหมือนกับมหาโยมเขาเคยบอกว่าเขาไปเคยไปวัดหนึ่งแ ล, แล้ววัดไม่รับเขาอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วต้องไปหาหาลายวัดเนี่ยหาไปเรื่อยๆบ่อยเขาไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ใชไหมคะถ้าเจอเข า, เ, ขาเราเรารรเรานับไม่ได้เราสุดวิสัยอย่างเมื่อกี้คุณหมอหมอหมอรักษาหมาก็มีคนจะมาเรียกตอนกลางคืนให้ไปช่วยรักษาก็เป็นเวลาพักผ่อนมันก็รับไม่ได้ ก็ต้องทำใจ<ะ>แล้วก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาเป็นกรรมของสัตว์ไปอ่านิยมให้เขาไปยังไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปหรอไม่บาปอ่าเองเดไม่ได้เมตตากับเขาไม่ได้ช่วยเขาอะไรนี้ไม่ได้กรุณชาแต่บางที<ะ>มันก็ช่วยไม่ได้บางกรณีมันสุดวิสัยก็ต้องปล่อยไปค่ะเหมือนหน่อ ย, <ะ>นยคนตกน้ําแล้วเขาเราว่ายน้ําไม่เป็นเราจะกระเกระโดดลงไปช่วยเขาได้ไหมล่ะ ไ, ไม่ได้ใช่ไหมค่ะแบ้นต่เขาก็ เขาก็พูดจาหน้าของสารเขาโยมถามว่าทําไมทิ้งอยู่ไม่ได้เพราะแฟนยมก็คุยกับเขาว่าแม่กาดังขอโทษค่ะเขาแฟนยมก็คุยกับเขาว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็บอกว่าเขาหนีออกมาแล้วเขาก็โทรไปบอกทางเจ้าที่แล้วว่าเขาไม่กลับไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาไม่อยากเห็นคนตายทุกๆุกวันเขต้องเหมือนกับยมถามแล้วทําไมไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องดูสิเขาบอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับ เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องยกศพใส่เขาไปในโรงอะไรเงี้ยแล้วจิตเขาแย่เขาบูอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขามีที่อยู่แล้วเขาเดินออกมาเองใช่ไหมค่ะก็เราก็ทําถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยใ่ไหมค่ะแล้วาการที่หนูตอนแรกหนูย้มรับปกเขาไปแล้วว่าจะให้เขาอยู่แล้วยมมาแบบเปลี่ยนใจทีหลังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือค<ย>มันเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ ค่ะอาจจะไม่ได้คิดรอบค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามีคนอื่นไปกระท บ, ท บ, ท บ, ท บ, ท บ, บกะเธอนต่อคนอื่นใช่ารู้เปล่าเมตตาของคนนี้กลับไปสร้างความเดือดร้อนเสียห้กับคนอื่นมันก็ไม่ถูกอย่าเงี้ค่ะใช่ไหะก็ต้องคิดหลายด้านเยหลายมุมด้วยก็พอโยมบอกรับปากเสร็จปุ๊บก็ลูกน้องคนอื่นในออฟฟิศพอน้องเขาเดินออกไปปุ๊บเขาก็เข้ามาคุยกันลุมกันลุมกันทีหนูที่หน้าโตเลยค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้คนนู้นคนนี้เขาก็กลัวกันอย่างเงี้ยค่ะออ โยมก็ไม่รู้จะทํายังไงโยมก็สงสารเขามากเลยค่ะ ร, รู้สึกไม่สบายใจด้วยเหมือนเราพูดไปแล้วเหมือนคือคาพูดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นกรรมของเขาเลยเจ้าค่ะนะนมันผ่านไปแล้ว ช, ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะแล้ ว, ล ว, ลวทีนี้สา ม, มีโยมเขาแนะนําโยมว่าโยมควรจะเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบว่าอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้ต้องขัดแบบ เวลาลุกคิดไม่สบายใจก็ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเงี้ยโยมทําถูกจะทํำตามเขาถูกไหมคะถูกต้องก็มันมันก็ผ่านไปแล้วคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าที่คิดตั้แบบที่เราสอนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องกรรมของเขาไปค่ะมีจะมีคนช่วยเขาแต่ก็มีคนที่ไม่ต้องการให้ช่วยเข้ามาขว้าอยู่ก็เรีอกมีบุญแต่กรรมบงัง<ค>นะคะนะ หนูไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้แล้วก็ทําไม่ได้ก็มันก็ต้องยอมแล้วว่าทําไม่ได้ถ้าเราถ้าเราเป็นขอถ้าไม่มีใครมาเกี่ยวข้องแล้วรับเขาได้ก็รับไปนี่มันมีเรื่องคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะาค่ะคือหนูรู้สึกผิดเหมือนกับว่าเรามีที่พักแต่เราไม่ให้เขาอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อให้เพรามีเหตุผลไม่ใช่ให้ไม่ให้เพราะว่าไม่ไม่อยากให้ใช่ไหะค่ะ ม่หเขามันมันไปทำให้คนอื่เขาเดือดร้อนค่ะะค่ะขอบคุณนะคะคุณพิมพิดาพิมพิดาฝากุณ่ะเทคอเมริกาใช่ไหมอันนี้กลับนามัสาตการถึงเวอร์จิเนียเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่เมืองอะไรนะเวอร์จิเนียค่ะอยู่อาริงตันค่ะอาริงตันใกล้ใกล้ดีซตรงข้ามใกล้ใกล้ดีซีเลยค่ะใช่ค่ะ แฟนทํางานสนานทูตเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ทีนี้แล้วมีคนก็บอกว่าอยู่ที uh, ่ซาแคลิร uh, yeah, oh, ์นียต้องต่อพาสปอร์ตต้องไปต่อที่ที่นิวยอร์กที่ดีซีต่อไม่ได้ออเขาจะเขาจะมีแบ่งเขตอาณากัรนะคะพระอาจารย์เหมือนแบบเออ่จะมีกรุงศุนที่ดูแลแต่ละเมืองอ่ะค่ะออเซาแคลาฟอราเนาก็ให้ไปที่นิวยอร์ก น, น, น่าจะเป็นไตได้ค่ะที่นี่จะมี อ, อยู่สี่ห้าที่ค่ะโอเ ค, คเข้าใจเพราะว่าดีซีมันใกล้กว่านหนืออ๋ อ, อค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีก็ได้คะาา่ะภาษาหนูจําจำาเขตอ น, นามไม่ได้ว่าที่ไหนดูแลเมืองไหนบ้างอะคะอ่ะคุณยินดีเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีสา ม, มีชาวฝรั่งเศส ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่เซาคาลายนะครังต้องไปต่อพาสปอร์ตที่ที่นิวยอร์กเดี๋ยวให้คุณจิิดาลองลองสอบถามดูอาทิตหน้าเรามาได้ค่ะค่ะหนูกำลังขอขมาค่ะลูกชายลูกชายยังขับตัวไม่ค่อยได้ค่ะอาทิตย์นี้หนูก็อ๋อภาวนาไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ายังตอเวลากันไม่ค่อยได้ค่ะ เวลากลับไปนี่ต้องไปไปจำจาต้องกักตัวหี่วแล้วไม่ต้องกักไม่ต้องกักค่ะต้องต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางค่ะแต่ว่าพ อ, อมาถึงแล้วเขาก็จะมีแค่ข้อแนะนำว่าให้อยู่บ้านไปสิบวั น, นะค่ะอ่าแล้วตอนนี้ได้ได้ฉีดวัคซีนแล้วยังยั ง, ยงไม่ไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงค่ะแต่ว่าก็ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะเห็นเห็นแฟนบอกว่าน่าจะประมาณ เดือนพฤษภาเขาเอมว่าจะได้ฉีดกันทุกคนคี่ะทุกคนเนอะสิ้นเดือนพฤษภาไม้มีข่าวออกมาวันนี้ใช่ค่ะเคมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีค่ะหนูก็ต้องพยายามตอนนี้ก็ต้องทำเรื่องระหว่างสติระหว่างวันไปก่อนค่ะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้ลูกชายปรับตัวไม่ได้เราก็แบบเลยยังมีความยุ่งยุ่งอยู่อย่างนั่งสมาธิไม่ได้เท่าเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ ต้องดูเหตุการณ์ไปนะทําใบตามเหตุการณ์อย่าไปฝืนมันฝืนแล้วมันจะทุกข์อยากทําแล้วไม่ได้ทําแล้วมันจะทุกข์นะทำเท่าที่เราทําได้ก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก็เรื่องพูดโทไปทํางานอะไรก็พูดโทไปค่ะค <Okay. S 1> ่ะโเคคุณแม่มาด้วยป่ะคุณแม่ไปด้วยป่ะคุณแม่ไม่ได้มาด้วยค่ะ คุณแม่อายุเกินหกสิบก็เลยยังกลัวโควิดรอวัคซีนก่อนค่ะอค่ะก็เลยวุ่นวายกันนิดนึงตอนมาก็เห็นแบบความทุกข์เลยเพราะลูกชายนี่ก็ร้องหาตายยายค่ะประนีเข้าไเอาแค่นี้ก่อนนะค่ะขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโยมเด็กเชิญโยมเด็กได้ยินเสียงหรือเปล่าเชิญเปิดไมโครโฟนอันนี้ไมโครโฟนมา อยู่ที่ไหนกรุงเทพเจ้าค่ะเซร็จคุณเข้ามาข้างหน้ากันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะดีใจมากเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ได้แค่ดูใน y o u t u ู e เจ้าค่ะแล้วก็เข้าทำงคนนยังไงโยมเพิ่งจะรู้จักแอปซูมเพิ่งจะโหลดเมื่อกี้เลยเจ้าค่ะตามที่มะนำค่ะนยมขอโอกาสสอบถามวิธีการเปล่า ปฏิบัติตัวเวลาคืออย่างนี้ค่ะโยมทำงานแล้วก็เวลาที่จะได้ทำสมาธิในรูปแบบเนี่ยค่อนข้างน้อยเจ้าค่ะโยม อ, อยากรู้วิธีการวางจิตในขณะที่เป็นชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะว่า อ, อ, อยากจะวางจิตให้ถูกต้องตามสติปัฏฐานสี่เนี่ยโยมสอบถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเอา ถ้าเอาง่ายที่สุดคือเอาฐานกายเป็นที่ตั้งสมมติว่าทำกิจการงานอะไรอยู่รู้ที่กายแต่โยมขอถามข้อเดียวเจ้าค่ะว่าอันที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือเมื่อไหร่ที่เราพยายามาจะมีสมาธิามีสติอยู่บนฐานหนึ่งคือกายอันที่มันจะแวบไปมากที่สุดคือความคิดเจ้าค่ะ อเราควรวางจิตอย่างไรเจ้าคะ่ะเวลาถ้ามันเป็นปความคิดแล้วก็ใช้คําบริกรรมดึงกลับมาที่กายได้พอมันเริ่มคิดแล้วก็พูดโธพทโธพุโทพโธไปให้มันอยู่ ค, คิดพอมันอยู่คิดแล้วก็กลับมาดูที่กายต่อค่ะความคิดอันนั้นเวลาเกิดขึ้นนราหน้าที่ต้องห้ามมันไหมเจ้าคะต้องห้ามแล้วกลับมาที่กายถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ห้ามมัน แล้วเป็นความคิดเลยที่ทำคิดก็ปล่อยมัคิดไปเพราะเวลาทํางานเราต้องใช้ความคิดใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องงานโยมกำลังจะถามจุดเนี้เจ้าค่ะแล้วเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเลยในการทํางานเชนคิดที่จะวางแผนล่วงหน้าได้คิดได้ต้องทำยังไงยังไงก็คิดได้แล้วก็มีสติอยู่อยู่กับความคิดมาอย่าให้ความคิดเลยเฉยไปเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยก็หยุดมันถ้ามันจะลาบคิดไปทาง ลภความอยากยต่างๆก็หยุดมันค่ะหนึงกลับมาที่พุโทโธพุทธให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรค่ะ okay. ตอนที่เราใช้ความคิดอยู่กับการทํางานเช่นคิดวางแผน ง, งานคิดคิดต้นทุนคิดราคาอะไรต่างๆที่ไปเต็มที่เลยให้มีสติมากตอนนั้ น, น, น, นชื่อว่าสติเราอยู่บน ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่ามันคิดอะไรสติแล้วก็อยู่บนฐานของความคิดเนีน้อ่าเป็นฐานแต่แต่เป็นฐา น, ท, านที่ไม่ดีเพราะเป็นเป็นฐานที่ทําจิตมันไม่ได้ทําจิตให้สงบแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนถ้าเราถ้าเราไม่ไม่จําเป็นเราก็วันหยุดเราก็หยุดความคิดได้ครับ คือในโชคติปฐานสี่มีอยู่สี่ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเจ้าค่ะขณะที่เราทําการงานเนี่ยจิตเราสามารถตั้งอยู่บรฐันไหนได้ไม่เจกาหมายถึงทํางานตอนที่ต้องคิดแต่เจ้าค่ะก็อยู่ที่งานที่เรานำทำอยู่แล้วถ้าต้องคิดก็ให้อยู่กับภามคิดไปคิดความคิดก็เป็นจิตเนี่ยอ๋ออยู่ในความคิดตกแต่งก็อยู่บนจิบตบนฐานจิตออต่ แต่ทําี่้ดียแทนถ้าไม่มีความังเป็นก็เดึงกลับมาคที่ฐานที่ร่างกายอย่าไปอยู่ที่ที่จิตอยู่ที่ความคิด <Okay. S 1> เพราะอยู่ที่ความคิดแล้วมันจะไม่สงบมันจะคิดไปเรื่อยๆถ้าล้วก็มนจะต้องคิดก็คิดพอหยุดคิดพอคิดเสร็จไม่จำเป็นจําเป็นต้องคิดก็ดกลับมาดูที่กายต่อแล้วค่ะแล้วค่ะ ถ้ามีเวลาว่างก็นัน่งหลับตาดูที่ลมหายใจค่ ะ, อะขอโอกาสถามตอนถ้าแล้วทีนี้อจากเวลาส่วนมากจะเป็นจะต้องพยายามทำสติปัฏฐานสีเพราะต้องทำงานแต่ทีนี้ในเวลาส่วนน้อยถ้ามีเวลาทำสมาธิแล้วเนี้ยเจ้าข่าวถามสภาวะของสมาธิเจ้าข่าวว่า ตัวเราเวลาปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาวะธรรมเวลาสมาธิรวมแล้วเกิดสภาวะธรรมแบบนี้แบบนี้อันนี้มันเป็นสภาวะธรรมจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเราแค่ลงแต่งมันขึ้นเจ้าคะ่ะถ้ามันสงบนี่ก็มอนก็มันก็เป็นของจริง <c oughs> มันไม่คิดปลูกแต่งมันไ่เฉยเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุมมันไม่ต้องไปห้ามมันมันไม่คิด มันเฉยปสาาัสจาอารมณ์ร่างช้ำมกนก็ลลเป็นของจริงอย่างถ้าถ้าบางครั้งที่สมาธิยงเข้าใจว่าสมาธิรวมในครนั้งนี้คือไม่ได้ทุกครั้งนะเจ้าคะแต่ว่าถ้าเข้าใจว่าสภาวะตอนนี้เราสมาธิรวมแล้วนะก็คืออย่างเช่นรู้สึกว่าอลมหายใจมันช้าจนรู้ละเอียด ตั้งแต่เข้าจนออกุกแล้วก็ต่อเ น, นื่องเหมือนอวกาศยงอธิบายไม่ถูกเจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขมาก อ, าาอยากใช้สมาธิเป็นยังไงนี่นีน่เป็นสภาวะทรมที่เราเองหรือว่าเราจะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสภาวะธรรมจริ <disclose. S 2> ก็เล่ามาให้ฟังนะั่นเองถ้ามันเป็นความสุขก็เป็นความจริงอย่างแต่ว่ามันไม่มันไม่ถาวรนะ เนี่ม่ก็หายไปพอเร า, เอาพอเราหยุดใช้สติก็หายไปก็อยากถามค่ถามมากที่พร่อาจารย์บอกออที่ที่ได้รับการบอกสอนมาว่าเวลาที่จิตเป็นสมาธิแล้วเป็นจิตที่ไม่ควรจะแช่อยู่กับความสุขอันนั้นควรจะน้อมพิจารณาปัญญานี่เจ้าค่ะโยมอยากถามว่าในสภาวะที่ขณะที่เรากาลังเกิดความนิ่งเงียบอันนั้นเนี่ย หน้าตรงที่มันกําลังสมาธิรวมที่เป็นยงเรียกไม่ถูกที่เป็นสมาธิอันนั้นเนี่ยมันพิจารณาได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่ามันต้องมันต้องออกมาจากสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้เจ้าค่ะถ้างนั้นคําถามตรงนี้เจ้าค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาวะนั้นเราต้องรอมันถอยใช่ความรู้สึกมันถอยออกมาหรือไม่กไม่ต้องไม่ต้องไปรอใมันถอยพยามให้มันอยู่นาน นั่งสมาธิให้มันนิ่งนานๆอย่าไปร้อยมันออกมาคอยคอยกันไว้ถ้ามันจะออกมเมอมันจะเริ่มคิดก็หยุดมันด้วยสติไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดไม่ไหวแลมันจะออกมาเองอ๋อเจ้าค่ะพระสมาธิส ส, สมาธิเป็นจุดที่ให้ความสุขกับเราะพยายามพยายามบังคับให้มันอยู่ในนั้นนานๆ ก็ใช้สติเชื่อมันเวลามันอยากจะออกก็อย่าเพิ่งออกมานั่งต่อดูลมต่อก็ได้ถ้าไม่ลมให้ดูก็ดูลมต่อไปใช่ค่ะก็ค่ะการพยายามจะออกมาเพื่อเอพิจารณาข้อธรรมไม่จำเป็นม่เวลาเยาะแยะเวลาเยอะแยะเวลาเข้าไปแล้วยากี่อยาพอเข้าไปได้แล้วมันเด้งมันออกมา ปล่มันพยายามันไว้พยยามให้มันออกมาจนกว่าสู้มันไม่ไหวนะพอมันออกมาเองออกมาเองแล้วเราก็มาพิจารณาถ้าอยางพิจารณาแล้วนะก็พิจารณาตายรักได้พิจารณาร่างกายไม่ทิ้เป็นทุกข์ไม่ให้องเราได้ค่ะคุณมุโยมขอกลับเรียนถามอีกสักนิดหนึ่งจ้ะค่ะดีใจมากเจ้าค่ะวันนี้ที่ได้เข้ามาถามดีใมากแอบดูยูทูปอยู่นะถ้าถ้าทอนออกมาแล้วถอยออกมาแล้วนะคะที่มันออกเองหรือ ก่อนหน้านิยมไม่รู้โยมไปดึงตัวเองออกมายมคิดว่ายมแบบอยู่ในภาะวะหรื อ, อยังไเงเนี้ยค่ะถ้าขอนออมาแล้วถามว่าเรื่องที่จะยกขึ้นมาพิจารณาควรจะเป็นเรื่องคือควรจะเป็นเรื่องอะไรถ้าบางครั้งแบบตั้งใจยกขึ้นมายมสเราไปหยิบเอาสัญญาขึ้นมาว่าะจะพิจารณาเรื่องนี้มันต้องเป็นสัญญาก่อนหรือว่าอนอกแต่ว่าถ้ามีเรื่องข้า ง, งข้างคาใจอยู่ก็ เ, เรื่องข้างคาใจมาพิจารณาได้ แค่มีเรื่องกับ ค, <อ> ค, คนนั้นคนนี้ก็พิจารณาคนนั้นคนนี้ให้เป็นตายรับไปให้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในความคิดเองพิจารณานใบถึงถ้าเรายังออกมาแล้วเราไปเราไปจำได้เราโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อยู่หรือเรามีความทุกข์กับคนนั้นคนนี้เราก็พิจารณาคนนั้นคนนี้ให้เห็นว่าก็เป็นตายรับให้ก็เห็นว่าเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ค่ะ เขาจะเป็นจะตายก็เราก็าไปห้ามก่อไม่ได้เขาจะดีจะชั่วก่อเราเราไม่ห้ามก่อไม่ได้อันนี้ในกรณีที่เรามีเรื่องข้างขาใจอยู่แต่ถ้ า, <Okay. S 1> ถาไม่มีก็ให้มามีเจรณาร่างกายโดยโดยรวม <Okay. S 1> รา่างกายของเราร่างกายของอื่นไม่เที่ยงกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนในร่างกาย <Okay. S 1> เป็นอาการชาที่สองทำมาจากดิน <Okay. S 1> น, น้ำลมไฟแล้วค่ะก็อที่โยมเคยทำตรง ตรงกับที่อาจารย์บอกก็คือพอเริ่มดูร่างกายถ้าเข้าที่เวลาฟังสวดมนต์มา ก, ก็พิจารณาผมก้นแลฟ็ฟันหนังางเนี้ยเจ้าคุณยงพิจารณาผมเองก็แบบลังคาญมากเลยของมันทำไมเน่าต้องคอยสาอะไรอย่างเงี้ยมันของเราไม่เท่า ไ, ไหร ด, ดูดูของคนที่เราไปหลงรักดีกว่าจะได้ไม่หลงรักร<า>่างกายอย่าไปเห็นคนร่างกายที่เราหลงนักเพราเราไปเห็นว่าเขาสวยเ้างาม ถ้าเราพิจารณาการสาธิตสองเราก็จะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามค่ะพิจารณาได้ทั้งของเราทั <aki> ้งของคนอื huh. ่นคือให้มันเห็นเท่ากันหมดในที่สุดต้องเห็นเท่ากันหมดบางคนก็หลงร่าร่างกายของตนเองอยากให้มันสวยอยากให้งามันพอเข้าไปดูภายใต้ผิวหนังมันก็ไม่มีอะไรนะงามนะใช่ไหมร่างกายของเรานะคะอย่างไรก็ต้องพิจารณาทั้งเขาทั้งเราพิจารณากายนอกกายใน กายนอกก็ร่างกายของคนอื่นกายในก็ร่างกายของเรา <Okay. S 2> แล้วก็พิจารณาทั้งกายนอกทั้งกายในพร้อมๆกันไปว่าเหมือนกันใชเจ้าค okay. okay. ่ะก็ทําซ้ํำๆไปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้เาค่ะทำไปดีกว่า<ๆ>ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไปทุกกับร่างกาย <Okay. S 2> ไม่ไปอยากกับร่างกายของคนนั้นคนนี okay. ้เจ้าค่ะล้วค่ะยมจะ ยังมีกำลังใจมากเลยเจ้าค่ะได้กลับเรียนถามไปตรงเป็นครั้งแรกไม่ยมจะจะได้วันจิตถูกเจ้าค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะจะจะไปช่วยเพื่อนเจ้าคมีใครที่ยังไม่ได้ถามบ้างมาริตร์ครับมัสการครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมีคําอันนึงที่ผมเคยได้ยินว่าพวกอาชีพการนักร้องนักแสดงดนตรีนี่มันทาให้ตกอบาย จริงหรือเปล่าครับไม่เราทําทําถ้าไม่ไปทําบาปไม่ต ก, กแต่มันใกล้เนึ่ยพรุ่งนี้มันใกล้ใกล้สูลาใกล้ของเืินมาอะไรตา่างบันเทิงใช่ไหม้ อ, องเพลงตามบาตามผักเดี๋ยวลูกค้าก็ส่งเบียร์มาให้กินส่งอะไรมาไม่กินก็เดี๋ยวจะหาว่ารังเกียจเขาอีกอ๋อครับนั่นแหละแล้วมันพวกบันเทิงมันก็แบบชอบเสกการมันใช่ไหม อยก็ผิดรูปผิดเบียกันนผิดสามีผิดภรรยากันครับได้แล้วเรื่องบางเรื่องผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดธรรมอันนี้ถือว่ามันถือว่าบาปไหมครับส่วนใหญ่ผิดกฎหมายไม่ต้องผิดธรรมเพราะมันไม่มีผิดกฎหมายแล้วไม่ผิดไม่ผิดธรรมไม่มีครับ กฎหมายนี่ก็แปลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฆ่าสัตว์มันบางอย่างฆ่าสัตว์ลงฆ่าสัตว์มันยังไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดทํอะอย่างนี้ครับยังทำมันผิดธรรมแล้วก็้องถือทําเป็นหลักอย่าไปถึงกฎหมายเป็นหลักครับถ้าเราอยากจะรักษาสีนก้อน้อที่หนึ่งครับเขาบอกฆ่าม้าไม่เป็นไรแต่เราทำศาสนาพุทธบอกฆ่าหม้าไม่ได้ฆ่าแมวไม่ได้ฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไม่ได้ใช่ครับแบบนี้คิดแล้วผมเกิดมามีบุญเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้เกิดมาครอบครัวยากจนต้องทําเลี้ยงสัตว์เพื่อดํารงชีพ อันน้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราเป็นคนที่มีนสิสัยไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วถึงแม้จะไปอยู่ครอบครัวที่ฆ่าสัตว์เราก็จะไม่ยอมทํำม็ได้ครับแบบเห็นคนบางคนเกิดมาคือแบบพี่น้องแบบลูกคนจีนสมัยก่อนลูกสิบคนอย่างนี้ต้องฆ่าไก่เพื่อเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้มันโอ้โหมันเหมือนถ้าไม่ทําพ่อแม่ก็อดอยากตายมันโอ้โหมันเหมือนเกิดมาก็าเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะต้องทําอยู่ใบเดียกว่าโตขึ้นสามารถแยกตัวเองไปได้ก็อาจจะแยกตัวไป แล้วบุญที่เราทํานี่เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกจะไม่หายไปไหนคือยังไงเหรอครับก็มันอยู่ในใจเราไถ้ามันยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังไม่หายเช่นเดียวกับบาปถ้ามันยังไม่ส่งผลมันก็ยังไม่หายอ๋อแต่คือถ้าเราไปเป็นเทวดาปั๊บมันส่งผลแล้วคือมันจะหมดตอนนั้นเหรอครับก็มันจนกว่าบุญกับบาปมันเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นำมาทําบุญทําบาปใหม่อ๋ครับบางที่เขา นึกไปแล้วนึกมาผมนมี่รู้สึกโชคดีจังเลยที่ไม่ไปการเมืองทําให้ผมใจร้อนไม่ได้รู้สึกว่าธรรมะมันช่วยได้เยอะมากเลยครับแบบรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรแบบนี้ครับก็ดีอดอยากให้คนอยากให้คนในสังคมไทยหันมามองเยอะๆมากเลยรู้สึกทําไมเขาไม่ไมเห็นอะไรที่ตอนเดกๆผมใจไม่เห็นว่าเมืองไทยมันวิเศษวิโสอะไรแต่พอนึกถึงว่าศาสนาพุทธเออไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ศาสนาพุทธที่สอนได้ลึกเข้าไทยแล้วตอนนี้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนไทย ก็เลยรู้สึกว่ามี่แหละสับเกตที่ดีที่สุดในการเกิดเป็นคนไทยเดสมั่นยามเอาเอาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วกันอย่าเป็นกังวลกับเรื่องของคนอื่นก็ที่ผมโอนกับให้คุณหลาไปหลวงพ่อได้รับเรียบร้อยใช่ไหมครับที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมได้รับแล้วสาธุครับแลเสร็จหมดแล้วนะรอบหน้ามีมีคุณศิรวิทย์นะครับคุณศิรวิทย์เปิดเปิดหน้ากราบขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับ เชิญคุณเซลากอยู่ที่ไหนอาอยทีนี่เซลกอ่าผมมาฟังเฉยๆครับอ่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหอ ย, อยู่อยู่คอนแกนครับคอนแกนะกนะเคยื่้ามาแล้วใช่ไหมครับอเอ่อมามา เ, เ, เามาอยคุณปรางวะไรอ่ะเปิดเปิดเข้ามาเชิญคุณปรางวะไรค่ะปรับขาอาจารย์ค่ะ วันนี้มาฟังทำค่ะมาเรียนรู้คำถามแล้วก็หาคำตอบจากญาติธรรมงค่ะถ้าไม่มีอะไรยังาฟังไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัตินะมีความยินดีมากค่ะชอบฟังค่ะหยุดทำงานวันไหนบ้างอ๋อช่วงนี้ก็ทำทุกวันค่ะให้น้องๆน้องในออฟฟิศลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่สามยมจลา 2>, 2วันแล้วยมก็จะไปนั่งสมาธิเหมือนเดิมค่ะที่วัดค่ะตอนนี้ก็ไปถวายถวายอาหารเช้าอย่างเดียวค่ะแล้วก็เดนที่เขาให้หยุดอาทิตละวันใ่ไหมตอนนี้ของโยมจะเป็นถ้าเป็นเมนเจอร์เลเวละค่ะจะเป็นสัปดาห์ละสองวันก็ตกประมาณเดือนหนึ่งแปดวันค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้ครบแล้วใช่ไหมไหมดแล้วทุกคนไปที่คุณ อะไรถามเฟนบกบ้างใช้ไหมมีคำถามถามเฟนบุกไหมมีทั้งหมดเจ็ดคำถามเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยนะคำถามแรกจากคุณแพลวพันธ์กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิพยายามเจริญวิปัสสนากรรมฐานในช่วงต้นเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งแต่นั่งไปเรื่อยๆปรากฏว่าจิตเริ่มนิ่ง ขยายกว้างใหญ่มีสภาวะปลอดโปร่งเป็นสุขตั้งมั่นอยู่เป็นเวลานานความจริงเป็นสภาวะที่รู้สึกดีแต่หนูไม่เห็นว่าจะเป็นทางที่ถูกหรือไม่พอปฏิบัติเสร็จเกิดความสงสัยเนื่องจากไม่มีธรรมมาลมเกิดขึ้นในสภาวะนี้อีกกลับเรียนพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้ทางเจ้าคะ่ะคือว่านี่คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อทําจิตเพื่อทาจิตให้ว่างปราศจากทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อจิตจะได้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เป็นเป็นครึ่งทางของการปฏิบัติเพอจะได้เป็นฐานของวิปัสสนาปัญญาต่อไปพอจิตว่าปราศ จ, จากอารมณ์แล้วทีนี้จิตก็จะเป็นกลางพิจารณาทุกอย่างก็จะเห็นด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงพออจากสมาธิมาก็สอนให้พิจารณาดูไตยรักดูร่างกายของเราร่างกายของคน ทั้งหลายว่าเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงไม่สวยงามมีอาการสาสองตายไปก็เป็นซากศพกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างกระทั่งไม่หลงไม่ดืมต่อไปจะเห็นร่างกายของเราของคนอื่นว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่ง น, นั่นเองไม่มีนายกนายข อ, อยู่ในร่างกาย ไม่มีนายกไม่มีอธิปดีไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายของพวกนี้มันอยู่ในจิตเราสมมุติกันขึ้นมาตั้งกันขึ้นมาเราก็ไปหลงยึดไปติดกับมันนั่นเองแต่ร่างกายทุกคนนี้มันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสนใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้ดึงเพืจะได้ไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่แล้วเจ็บแล้ว ต, ตายอันนี้เป็นขั้นต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็ มาสอนใจให้เห็นด้วยปัญญาเปัญญาจะได้อมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณเจปาลิสรมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกพระอาจารย์คะถ้าเรานอนสมาธิได้ไหมคะถ้าเราอยากจะหลับก็ได้เพราะ่ถ้านอนนะั้นมันจะหลับมันจะไม่เป็นสมาธิ นอนแล้วก็ดูลงไปพุโทโธไปเดี๋ยวสักพักมันก็ครอกครอกมาถ้าอยากจะเข้าสมาธิก็ต้องนั่งคำถามที่สองทำภาวนา ย, ยังไงพระอาจารย์คะแค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือเปล่าคะพระอาจารย์เออได้ได้ทั้งสองอย่างไม่พุทไม่ไม่ต้องดูไม่ใช่ไม่ต้องใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้ ให้รู้เฉยๆว่ากลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกก็ได้หรือจะทําพุโทโธพุโทโธไปโดยที่ไม่ต้องดูลมก็ได้มันมีอยู่สามวิธีพุโทโธอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธกับลมมาปะมามารวมกันก็ได้คือการภาวนาแล้วแต่ความถนัดความความพอใจของเราเราพอใจแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นไปคำถามต่อไปจากคุณกุ้ยสันจ์นี นมัสการพระอาจารย์ค่ะพอออกจากสมาธิก็กําหนดรู้อิเลยียบทจนรู้ทันอารมณ์ของตนเองว่าโกรธลบควรสอบถามว่าเราควรฝึกต่อด้วยวิธีไหนและอย่างไรคะตอนเย็นปัญญาเพื่อล้าความโกรธเมื่อเห็นความโกรธก็ต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราโกรธแล้วก็อย่างเราเหตุที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากได้สิ่งนั้นอยาก ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการให้มันโกรธเราก็ตัดความอยากนั้นออกไปพอตัดความอยากแล้วมันก็จะไม่สนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่คำถามต่ อ, ตอไปจากคุณก้องกสิดษิ์กราบและมัศการพระอาจารย์ครับมีสองคำถามคำถามแรกผมนั่งสมาธิ จดจ่ออยู่กับคาบริกรรมพุโทโธพอเริ่มนานเข้าร่างกายจะเริ่มสายไปสายมาก้มบ้างเองซ้ายขวาบ้างและมีน้ำลายไหลออกมาเป็นระยะผมจึงบริกรรมพุโทโธต่อไม่สนใจร่างกายปล่อยให้น้ำลายไหลและร่างกายจะมีสายบ้างก้มจนเกือบจะหน้าทิ่มบ้างผมกลัวว่าหน้าจะทิ่มตกเก้าอี้จึงออกจากสมาธิ แล้วย้ายไปนั่งสมาธิบนที่นอนเหตุผลเพราะผมกลัวตะขาบและงูพิษเนื่องจากผมเคยเจอที่บ้านอยู่หลายครั้งผมกังวลเกินไปไหมครับและปฏิบัติถูกต้องไหมครับก็ถ้ามันสายก็ไม่ถูกแสดงสติล้วอ่อนเพลิงมันถึงสายไปสายมาน้ำลายไหลแสดงอาการของสติมีน้อยมากพยายามฝึกสติให้มากก่อน ควรจะลุกไปเดินจกงกรมหรื้อะไรให้มีสติดีก็แล้วให้กลับมานั่งจะดีกว่าถ้ามีสติดีมันนั่งเฉยๆตัวมันจะไม่ส่ายทำลายจะไม่ลายคำถามที่สองที่บ้านผมมีลูกน้ํามาอยู่ในอ่างอาบน้ําที่พ่ออาบเป็นจํานวนมากผมจะทําอย่างไรดีครับถ้าเอาทรายมาใส่หรือปล่อยน้ําทิ้งเพื่อกําจัดจะเป็นบาปหรือผิดศีลไหมครับ ถ้ามันตายก็บาปเราก็ต้องตัดมันไปปล่อยในแม่น้ำํำลาคลองจากใส่ถังไว้แล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่แล้วก็เอาไปปล่อยในแม่น้ําลําคลองถึงจะไม่บาปคำถามสุดท้ายจากคุณจตุรลณ์กราบนรมาส ก, การถามหลวงปู่ครับผมภาวนาพุทโธจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทั้งในเวลานั่งสมาธิและทุกอิริยาบถ ไม่ว่าอารมณ์ใดหรืออาการของจิตใดๆเกิดขึ้นก็พุทโธตลอดและเห็นอารมณ์เกิดดับบางเรื่องดับช้าบางเรื่องดับเร็วถ้าจิตสงบจะเห็นแต่พุทโธอย่างเดียวและไม่เห็นความเกิดดับใช่ไหมครับก็ผมภาวนาต่อไปอย่างนี้ถูกทางไหมครับผมก็ภาวนาเพื่อจิตเป็นว่าไม่มีอารมณ์เกิดดับเกิดดับในระดับของสบาย แต่เมื่อเราจะกสมาธิมาก็จะมาเจอลมเกิดดับอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางอยากก็อยากให้มันไม่ดับอยากก็อยากให้มันไม่เกิดมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อ ย, ม, อยมันดับไปเรารู้เฉยๆถามหมดแล้วเจ้าค่ะออาแล้วนะหมดแล้วมีใครอยากจะถามยังไหมก็ยกมือขึ้นแล้วก็อาพร้นเข้ามานะอ่าเชิญคุณเข้ามา อัตราพรโลสุกจากสเปนกครจ้าหลวงพอ่อกลับบ้านแล้วเลยพนักงานเข้าอย่างทันทีบ้านเจ้าชะหลวงพ่อเมื่เาาช้านี้มีคนเก้าถวายมาประเคนแล้วนะจะ <c oughs> ไม่สั่งอาหารมาใช่ว่าเช้านี้สั่งให้เขาทําทําทุกวันเจ้าชะหลวงพอ่ออยู่สเปนยังทําบุญได้เลยนะ ท, ทําทำไมนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากนะครับ หาทูนะอโนโมธนาหาทูศาสตร า, ตร า, ตราลหลวงพ่อลูกเข้ามาฟังก็แค่หลวงพ่อทำใจเจอนะ <c oughs> นอไม่ไงตอนนี้มันเฉน ย, งฉยงจงพ่อแล้วมันมันว่างเปล่ามันเฉนยค่ะจิตใจดีขึ้นไหมตอนนี้ไม่วุ่นวายแล้วนะอไม่ไม่ไม่วุ่นวายไม่อยากไม่อยากคุยไม่อยาก อะไรทุกอย่างแต่ก็ต้องมีต้องมีสังคมบ้างเวลาติดปากกันก็แผ่เมตตาทักทายกันอย่าให้เสียมารยาทอย่าให้ขาดความเมตตาพู้เท่าที่จำเป็นผู้ให้เขาสบายใจว่าเราไม่มีอะไรกับเขาเดี๋ยวให้เราเฉยเบิกเตงเขาจะงงคิดว่าเป็นอะไรก็วันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเขาที่บ้านเขาก็เริ่มชินแล้วจ้ะค่ะ จเขาเริ่มชินสมัยก่อนเขาก็มีเบื้องตึงแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาชินแล้วนะคะพอเริ่มชินแล้วเขาเขาเริ่มมาชินเดินผ่านเขาก็สาบุกลูกนี้มันพ่อเขาบคขานี่ยแล้วค่ะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ลูกได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องผมไงเจ้าคะอย่างลูกเนี่ยอย่างที่ที่แล้วที่ลูกฟังหลวงพ่อ ลูกจะฟังตลอดแล้วก็จะจะบางทีก็ขำแล้วก็ยิ้มเพราะว่าเราลูกเห็นตามที่หลวงพ่อพูดทุกอย่างเพราะว่าลูกประรรตคือเราปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วเห็นมันเป็นจริงทุกอย่างนงะคะที่เรื่องผมว่าแล้วหลวงพ่อบอกตาเกเรนก็คือมันก็คือตัดอย่างลูกเนี่ยมันอยากตัดค่ะบางทีคืออยากโกนแต่ว่าเขาขอไว ถ้า <สอ S 2> มีเหตุผลก็ไม่ตัดเพราะมันยังเพราะอะยังเกี่ยวข้องกับคนก็อยู่นี่พูดถึงม <า S 2> ันถ้าเราอิสระดวเราคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นตที่เอยเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ต้องแบ่งรังแ บ, แ บ, แ, บแบ่งสู้ไปตามเหตุตามผลเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเคยมีจิตดวงนึงอ่ะ ว, ว่าะวิเขาไปข้างนอกแล้วเราโกนเลยดีไหมเดี๋ยวเขากลับเข้ามาเขาก็พูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราโกนไปแล้วมันมีจิตตรงนั้นขึ้นมาวูบหนึ่งนะต้องการหลวงพ่อแสดงว่ามันเป็นอารมณ์แล้ะมันเป็นกิเลสละต้องใช่เหตุผลอเจ้าค่ะเหตุผลว่าทําแล้วมันดีแล้วไม่ดีทําแล้วเกิดเรื่องราวขึ้นมาก็อย่าทำใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเราอยู่คนเดียวโกนเลยเจ้าค่ะ แต่เรายัางเกี่ยวข้องกับเขาอยู่เดี๋ยวไปโกนก็เดียออย๋ยวเขาขอยาแล้วทําไงเราพ้อมที่จะรับยาเขาล่ือเปล่ายังเจ้าค่ะยังยังยังยังไม่ถึงเวลาเจ้าค่ะยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่ไปโกนเราทาหน้าที่แม่บ้านไปก่อนเราทําหน้าที่สวยไว้ก่อนแต่งตัวให้พ่อแม่เขามีความสุขกั <laughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่มีใครส่งเรียนอ่ใชเดี๋ยวเดียวไม่ได้ <laughs> ยเลี้ยวโดนยัเดือดรอบไปด้วยนะแล้วไม่ซ้อมหาอะไรเลยครับทำอะไรอย่าวุ่นวายนะต้องคิดให้รอบคอบนะขอบผมขอบขอบขอบคุณทุกท่านมีใครไหมที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ถามไม่มีแล้วนะครบหมดทุกคนแล้วมีใครอยากจะถามรอบสองไหมอ่า ยกมือก็มาหรือปล่ามีไหมไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่มีจะได้วังนะไดหวังก็มีด้วยประการลัชนีนะคิดว่าพอสมควรนะคุณคุณอเนกหรือว่าอ๋อไม่ไม่โอเคครับสองชั่วโมสามสิบห้านาทีคิดว่าพอสมเหตุสมผลแล้วนะสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ